เรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัตว์ผู้ใ <Jub> ฝ <ilee> ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาร่วมสนทนาก็เชิญเข้ามาได้วันนี้ไปที่เด็กชายนักคนกับคุณยายเลยคุณแม่คุณยายเลย นกาคูณใครมาเยี่ยมตรกลับแล้วมสักการ์ครับพ่อจรยวันยังไงครับวันนี้ไม่มีคาถามครับแค่แค่มากับครับเออ่แล้วมากับใครมีใครบ้างอยู่ข้างหลังนักคูณครับอนะ อันนี้อารมดีนะอารมดีอันนี้เป็นันนี้เป็นตัวตลกโจเกอร์ <Yeah. S 1> อยาคุณผาาคกลับนมสการขอพร ะ, ะลูกไม่อ่าวมอาวควันนี้พา <c oughs> เพื่อนมากลับนำมาสการพระอาจารย์ด้วยค่ะเพื่อนที่ญี่ปุ่นและเพื่อนที่ที่เมืองไทย ที่เมืองไทยใช่ค่ะพ อ, ะอะดีมาช่วยดูนะคุณค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสค่ ะ, ะเป็นไงเป็นลิงเหมือนลิงไหมยิ<อ>่งก็ลิงอือดูมาหลายครั้งแล้วค่ะก็เลยเริ่มชินแล้วค่ ะ, อ, ะอืมก็ดีอันนี้อยากจะถามอะไรไั้ยอยากจะคุยเรื่องธรรมะาหม วันนี้ยังไม่มีค่ะเอ่อพอดีว่าจ๋าอกว่าให้เข้ามากะพระอาจารย์ด้วยกันก่อนค่ะอ่ามาทำำําความรู้จักกันก่อนนะค่ะนี่ไม่โอกาสหน้าถ้ามีอะไรก็เข้ามาถามได้นะได้ค่ะอืมนนะักคุณมีอะไรเปล่าอธินี้ไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์อธิณียุ่งทั้งอาทิตย์เลยค่ะยุ่งขอ<ก>งเราเนอะะดูน้องนะักคุณให้ค่ะอ่าโอเค สู้ต่อไปสู้ค่ะก็มากับนวมส ก, การพระอาจารย์ก็ได้สติดึงกลับมาทุกอาทิตย์ค่ะต้องมีมาแตะเบรกค่ะ อ, อทำพอสมควรทำพออยู่ได้ก็พอพไปก็อไปไม่ได้ทักบาลนึงค่ะพระอาจารย์เดีย น, นชนเดือนเลยโ อ, <laughs> เ, อเคนะอาเดือดรักษาใจ<ส>ไว้นะใจสำคั ญ, ญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ให้พรังแข็งแรงนะคะอย่าสาวดสาวดูค่ะจำแม่จำแม่จัที่แม่กัจัที่ับนะมัสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงมีอะไรมารายงานไหมวันนี้สองกันบ้านครับอ่าวันนี้นเหลือนั่งสมาธิได้เท่าไหร่นะสามสิบห้านาทีครับ35มสิบห้าเลยสังหมหมก็ มีสงบบ้างไม่สงบบ้างครับเนี่ยทรมานไหมเวลานาาัา่ง35นาทีนี่ก็ไม่ครับไม่ทรมานนะครับแฮปปี <Happy S 2> ้นะครับโอเคพีายารักษาระดับไว้นะอย่าให้ต่ำกว่า35านะเอออืมครับส่งการบ้านมามาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มบนความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงม้นความเจ็บไายไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงม้นความตายไปไม่ได้เ ร, เราจะละเว้นเป็นต่างๆ<ร>าคือว่าเราจะต้องประปล่อยจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเองมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทถือว่าเราจะต้องได้รับผลขอ ง, องกรรมนั้นนําสืบไปเพราะทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดอย่างไรนะนีความตายไม่ได้นะนีความเจ็บไม่ได้หนี้ความแก่ไม่ได้แต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเท่านั้นเองร่างกายหนีไม่ได้แต่ใจหนีได้ ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปกับร่างกายัใจไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายทุกข์ก็ทำอะไรไม่ได้อทุกข์เพราะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายใช่ไหมยังไม่อยากแก่ยังไม่อยากเจ็บยังไม่อยากตายอยู่หรือเปล่าไม่สรบอ่าอเพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายม่อะไรตัวเราอยู่ในร่างกายตรงไหนหรือเปล่าไม่อยู่ครับ มีอะไรบ้างในด้านกายของเราเนี่มีผมขนเล็บตันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับถังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสันน้ำดี น้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อกน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำเส่ข้อน้ำบูดน้ำมูกน้ำเส่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็ดน้ำดี เยื่ในสมองสีสัอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ป อ, อ, อดใต้ผังผืดตับหัวใจม้ามเยื่ในกระดูกกระดูกเขนเหนื้อตับฟันเล็บขนผมเราเป็นอะไรเราเป็นผมเป็นขนรึเปล่าไม่เป็นครับ ร่างกายนี้ไม่มีเราเลยนะ uh huh. จำไว้ดีนะร่างกายเป็นอนัตตาเป็นดินน้ํำลมไฟเป็นอาการทารกสิบสองเราเป็นใจเราเป็นผู้รู uh huh. ้เราไม่ต้องไปเต้นเต้นตกใจกับร่างกายมัน uh huh. เป็นอะไรเราก็สอนใจให้วางเฉยยังสมาธิเพื่อทําใจให้เฉยะ ถ้าไม่นั่งแล้วมันจะไม่เฉยเวลาร่างกายเป็นอะไรพยายามนั่งบ่อยๆเผื่อเวลารัางกายเป็นอะไรยายาเาร า, าเะรจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันนะโอเค ม, ออ ม, มีอะไรอยู่ไหมมีอะไอ อยู่ในทางสู่การหมดค้นนะทางนี้เป็นทางที่พระเจ้าทรงทรงนำไปก่อนทรงปฏิบัติก่อนหลังจากไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วพระพุทธเจ้าก็กลับมาบอกพวกเราทางนี้เป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดโอเคนะอ่าไปาที่ขอบคุณพระเจ้าครับ คุณฝยกับน้องอะไรจำไว้นะค่ะนัำสการคร่ะพระเจ้าฝนกับใครคนระับทีมครับอ่น้องทีมอืมออะไรอไรมีอะไรไหมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับช่วงนี้ก็พยายามที่จะนั่นสมาธิห้านาทีทุกทุกวันนึ่งสมาธิห้านาทีทุกวันแล้วก็พยายามที่จะสงบให้ได้มากที่สุดครับ แต่ก็ยังแต่ก็ยังไม่เคยได้อะไรอ่าทำไปพยายามทําไปเรื่อยๆแล้วก็ทําได้ดมากขึ้นเองนะครับจะพยายามออามีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีครับไม่ถามเรื่องโกไม่มาถามหรออือมาทินฟังไปด้วยกันนะอืมไม่มีไม่อะไรถาแบบอืมกลับไปไมเลย คือตอนนี้ก็คงใกล้จะได้เวลาบอกลากับคุณพ่อแล้วอะค่ะก็ก็ตอนนี้ก็ช่วงก็คือคือคือมันก็ใกล้เวลาค่ะตอนนี้หนูก็ไม่ไม่ได้มีความอยากอะไรที่ยื้อคุณพ่อนะคะเพียงแต่ว่ามันก็มันก็มีความทุกข์จากการเตรียมตัวที่จะพลาดพลาก่ะคะก็เลย ก็ยอยากจะขอความเมตตาจากพระอาจารย์นิดนึงคือมัอนหนูก็พยายามอยู่กับครองสตินะคะแล้วก็พยายามคิดเรื่องปัญญาอย่างเมื่อกี้นี้ก็ฟังที่น้องเขาพูดเรื่องร่างกายเรื่องอะไรก็ตามแต่ะคะ่ะพระอาจารย์มันก็ก็เข้าใจอะคะ่ะพระอาจารย์เข้าใจหรือว่าเหมือนไม่ไม่ได้มีความอยากในเรื่องการยืดหยุดให้ให้ให้อยู่ต่อหรือว่าอะไรนะคะคือทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติน ะ, ะเพีวยงแต่ว่ามันก็มีความทุกข์จากการผัดภาคที่ทุกคนจะต้องเจอะคะ่ะพระอาจารย์ ได้เรายังไม่นิ่งพอยังไม่ถึงอุเบกขาต้องพยายามฝึกสตินั่งสมาธิมากๆเราจนกว่าจะได้อุเบกขาพอ ไ, ได้อุเบกขาแล้วที่นี้มันก็จะเฉยไม่ทุกกับอะไรเรามีปัญญาแต่ปัญญาเราไม่มีไม่มีขาดสมาธิเป็นผู้สนับสนุนมันก็เลยยังมันเลยยังทำใจไม่ได้ เวลาทุกเวลาไม่สบายก็พยายามเจริญสติพุทโธพุทโธไปเพิ่มสติสร้างสติขึ้นมาอันนี้เป็นการทําข้อสอบนี่ขนานดะร่างกายของคนอื่นนี่ยอย่างแค่นี้ถ้าต่อไปร่างกายของเรานี่มันจะแค่ไหนค่ะหนูก็ก็พยายามถ้าะระลึกได้ก็พยายามอยู่กับพุทโธตลอดเลยค่ะพุทโธ ท, ทำโมสังโคไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนว่าแบบ คือพอถึงช่วงเวลาที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณพ่อเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกแบบเออมันก็หนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ก็ก็ผ่านมันมาได้ไหมก็ผ่านค่ะเพราะว่าคือตอนนี้มันก็มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกี่ยบคุณหมอเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์อย่าช่วงนี้มันก็เหมือนกับเราก็มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็เฝ้ามองดูอยู่ให้จนถึงถึงถึงวันที่มันจะ มันจะมันจะจบคหาพรอาจารย์แต่ว่าหนูก็อืมคือบางช่วงมันก็พอจะคิดได้นะคะบางช่วงก็พอจะมีสติบ้างแต่บางช่วงมันก็เหมือนแบบอาจจะมีความเศร้าเสียใจก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่ามันมันมันยังวางเป็นอุบเบกขาไม่ได้คือบางทีเราอาจจะกิเลสมันอาจจะทําให้เราคิดไปเองว่าถ้าเราไม่เศร้าไม่เสียใจเหมือนเราแบบไม่มีความรู้สึกนะคะไม่ไม่กรตันอยู่ไม่รักพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่เกี่ยว ต้อต้องต้องเศร้าโศกเสียใจถึงจะกระตันอยู่เลยความกระตันอยู่อยู่ที่การดูแลท่านครให้ความเคารพกับท่านไม่ได้มีไม่ได้มีบอกว่าต้องเศร้าโศกเสียใจอืการเศร้าโศกเสียใจนี้มันเป็นความทุกข์ที่เราต้องการที่จะปที่จะกําจัดมันเพราะฉะนี้นเกมมันไม่เกี่ยวกับความกระตันอยู่แต่อย่างใดเราไปผูกขึ้นไปเองว่า เราต้องร้องไห้คนบางคนก็เลยเสียแซงกันเองไปเนาะไปร้องไห้ต่อหน้าโรงศพคือหนูคิดเหมือนแบบเหมือนเราตัดสินใจให้เขาคือเราเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้เขาอยู่ต่อหรือเราจะให้เขาไปอย่างสงบอย่างเนี้ยค่ะพระาจาาตัดสินใจไม่ได้หรอกเขต้องไปตามตามตามเรื่องของเขาอแเพียงแต่เป็นผู้ที่คอยดูแลเขา แม่ดูแลเขาไม่ได้แล้ว <Han> เขาจะไปก็ต้องไปล่อเขาไปนั่นเลยเราไม่ได้ไปกําหนดให้เขาไปหรือไม่ไปหนูก็คิดว่าแบบ s. <S เออคือจะปล่อยให้เหมือนให้มันให้มันไปเองอ่ะค่ะพรอาจารย์คือเหมือนแบบอ ย, อย่างงั้นนะคะคือแต่คือบางทีมันก็ทําให้เราคิดว่าเ อ, อ๊ะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันเหมือนเราแบบไม่ช่วยเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์ก็ทําอย่างที่ตามตัวการหมอบอกทําใม่ไหวแล้วะ คือคือถ้ากับเต็มที่จริงๆคือมันก็เหมือนมันเป็นเวในการที่ค่อนข้างจะแบบซัฟเฟอร์อย่างเงี้ยค่ะแบบแบบเจาะค อ, อหรือว่าแบบยือย้อยุดแล้วก็อยู่แบบเหมือนเหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบแตัดสินใจว่าเอองั้นหนูไม่ไ ม, ไม่ปั๊มหัวใจนะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาหรือก็ไม่ไม่เจาะคอค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ตอนนี้คุณพ่อก็ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แต่ว่าก็ให้มันเป็นไปตามคือก็คุยกับคุณหมอแล้วว่าเขาก็อายุเยอะแล้วแปดสิบสี่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ให้เขาไปแบบ สบายสบายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์วันที่เขาจะเป็นอะไรเขาเคยพูดไหมเปล่าคะเขาจะต้องการคือคุณพ่อพูดแล้วคุณพ่อไม่ผ่าค่ะไม่ไม่ผ่าตัดแล้วอะค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็คือเขาก็ไม่เชิงพูดเขาเขาพูดแค่ว่าแบบเขาเขาถ้าเขาเ ป, ป็นอะไรไปตอนนี้เขาก็ก็โอเคค่ะคื อ, หอเหมือนว่าเขาอยู่เกินแปดสิบแล้วคือเขากำไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อโอเคก็ก็ก็ไม่มีความแบบ ความกังวลกับร่างกายขงเพราะพ้อมที่จะไปก็ก็คิดว่าอย่างนั้นคือหนูก็หนอย่างที่บอกหนก็ตัดสินใจแทนเขาไม่ได้ค่ะคือไม่ใช่ตัดสินใจแทนได้หนูต้องเป็นคนถูกใช้หนูก็ต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะจะทําอะไรยังไงต่อไปไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็เออก็ตัดสินใจว่าเออก็ตอนนี้ก็ใส่ท่อช่วยหายใจว่าถ้าคุณท่อสู้ต่อได้ก็สู้ต่อนะแต่ถ้าสู้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็ก็เลิกโไปก็โอเคก็ให้คุณพ่อไปสบายอะไรเงี้ย ก็คิดอย่างนันแต่หนูก็พอไปมองพ่อบางทีบางครั้งหนูก็เฉยๆนะคะพระอาจารย์คือหมายถึงว่ามองให้มันเป็นแบบสั่งมันเป็นร่างกายนะคะพระอาจารย์มันก็มันก็โย ก, กตาตัวนนหนึ่งใช่หนูหนูก็มีโมเมนต์มีช่วงเวลาที่มองคุณพ่อเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ว่าเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจิตมันก็ไปอีกภพภูมิหนึ่งแล้วมันมันไม่ใช่เขาคนเดียวทุกคนก็ต้องเดินไปตามเส้นทางนี้วันหนึ่งเราก็ เข้าสู่เส้นทางนี้เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะพเพียงแต่ว่าวาระของเขามันมาถึงก่อนแต่ว่าเราก็ไม่ต้องกลัวน้อยหน้าเดี๋ยวเราก็ตามเขาไปอย่างค่ะอาจารย์ทุกคนก็ไปกนหมดนะพวกเราเนี่ยเข้าคิวกันอยู่มันใครหมายเลขอะไรเท่านั้นเอง <Okay. S 2> ใครไปก่อนใครไปหลังไม่มีใครล้มก็หนูก็คิดว่าวันนี้หนูได้คุยกับพระอาจารย์แล้วหนูก็มีสติมากขึ้นนะคะพระอาจารย์คือมีทั้งสติบอกกับตัวเองด้วยว่าเดี๋ยววันนึงเราก็ ตามเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะพัดภาคอะไรมันก็ถึงเวลาทุกคนมันก็ต้องมันก็ทางใครทางมันทุกคนอะไรแบบเนี้ค<ม>่ะอ า, าจารย์ก็พวกเราเหมือนกับผู้โดยสารที่สนามบินมารอเปลี่ยนเครื่องกันะถึงคิวเครื่องขยันถึงคิวขึ้เครื่องของเราไปเจอกันที่สนามบินก็ทักทายคุยกันทํคาความรู้จักกันเดี๋ยวพอถึง เ, เวลาเครื่องออกก็เอาแยากกันไปค่ะ มองอย่างนี้ก็แล้วกันฮะก็หนูก็คิดว่าแบบนั้นแล้วยิ่งทําให้หนูแบบยิ่งยิ่งกลัวค่ะพระอาจารย์กลัวการที่จะแบบต้องมาเกิดต้องมาทุกต้องมาเห็นอะไรแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์คือรู้สึกรู้สึกกลัวตรงนี้แบบคือเออมันมันน่ากลัวจริงนะการที่ต้องมาอยู่กับทุกการเห็นการเกิดแก่เจ็บตายกันแล้วเราต้องมาอยู่กับแบบนี้ต้องมาเจอความเดี๋ยวก็ต้องชรลาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อดีเห็นนี้แล้วจะได้ ไม่ล้ากลับมาเกิดก็ต้องไปกำจัดเหตุที่พาให้เรามาเกิดนี่ก็คือกิเลสตัณหายอมรับ ว, ว่ากลัวเลยค่ะพระอาจารย์คือเห็นเลยค่ะเห็นแล้วก็ทำให้ยิ่งแบบรู้ว่ายิ่งต้องทำอะไรอะค่ะพระอาจารย์เห็นก็ตอบไปนี่ก็อย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปหาความสุขอย่ารูปเสียงจินลดล <laughs> หนูก็แบบหนูโหนแบบ ท่าไม่ลงอนะ่ะช่วงนี้แบบไม่ไหวเลยค่ะพระอาจารย์คือเหมือนแบบเ<ม>พราะมันต้องใช้สติแบบในการแต่ว่าหนุมไม่ได้ไม่ได้ฟูมไฟไม่ได้ยื้อยุดฉุดกระชากนะะไม่ได้แบบฝืนอะไรทําไม่ใช่ะคะ่ะก็<ม>ทุกอย่างก็เป็นไปตามคารองที่มันควรจะเป็นนะคะ<ม>พระอาจารย์ก็เราก็อยู่กับธรรมะค่ะพระอาจารย์ก็ยิ่งพระอาจารย์พูดอย่างก็ยิ่งเตือนเลยก็จะได้แบบอืต้องรู้ว่าต้องทําอะไรยังไงนะคะ<ม>่ะพระอาจารย์ก็ ก็กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากคะ่ะที่ที่ที่เมตตาสอนสั่งนะคะพระอาจารย์เพื่อทําตามหน้าที่ไปหา่าก็ทําตามหน้าที่มีหน้าที่บอกก็บอกมันมีหน้าที่ฟังก็ฟังแล้วก็นํามา ป, ปฏิบัติอ่ะได้ก็กลับเรียนพระอาจารย์เท่านี้คะ่ะพระอาจารย์โอเคนะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะอย่าไปทโทษอย่าไปเศร้ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรความจริงก็ยังเป็นไปของมัน อโอเคนะช อ, อไปที่คุณตะวันกับคุณแม่อยู่ฮอลแลนด์วั น, นี้ ค, คุณพ่อไปทำงาเนี่ยคุณพ่อไปทำงานเนี่ยวันนี้ไปแล้วครับมีอะไรไหมครั บ, รบวันนี้ไปวันนี้มีหนึ่งคำถามครับถ้าผมทำชมาธิ แล้วผมก็คันแล้วผมผู้โทรเออแล้วผู้โทรไม่ช่วยผมก็ต้องทาอะไรครับผู้โทรไม่ช่วยนะครับว่าอย่างไงเอ่อถ้าผมคันผมก็ไม่เอเอ่อคันแต่ผมก็คิดผู้โทรพู้โทรพูดโทแต่ถ้าผมคิดผู้โทรมาก็ไม่ช่วยผมก็จะคันอยู่ดีครับเอาคั น, นก็ผู้โทรไม่ได้ช่วยไม่ให้หายคันผู้โทรช่วยให้ใจเราไม่ไปยุ่งกับมันเข้าใจไหม ป่ให้มันคันไปแต่เราอย่าไปยุ่งกับมันให้เราอยู่กับพุทโธไปถ้าเราไปอยากให้พุทโธช่วยให้มันหายคันมันยิ่งไม่หายในเวลาเราอยู่กับพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงความคันเดี๋ยวเราลืมความคันแ้ะความคันมันก็หายไปเองอย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากให้มันหายมันยิ่งอยู่ให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่สนใจ มันจะคันก็ปล่อยมันคันไปแต่เราไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันเราให้ความสําคัญก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปใครจะต้องใช้เวลาหน่อยต้องใจเย็นๆไม่ใช่พุโทโธปั๊บแล้วใจก็จะปล่อยวางความคันได้มันก็ยังอยากที่จะไปเกาอยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามอยู่พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความคันยิ่งคิดยิ่งยิ่งอยากจะเกาถ้าอยู่พุโทโธเดี๋ยวมันมึน ความคันแล้วมันก็เลยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความอยากจะเก่าขึ้นมา ล, ลองทํำดูนะอตอนนี้ต้องซอ้ำก่อนซ้มพุโทโธบ่อยๆกันนะพุโทโธบ่อยๆกันพอเวลานมาธิมันก็จะได้ใช้พุโทโธ ไ, ได้อย่างได้อย่างต่อเนื่องอันนี้หน้าสมาธิได้กี่นาทีได้วันครั้งหนึ่ง เออในหนึ่งวันเอ่อหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งวั น, น, วนแต่แต่แบ่งเนกี่เวลาเออในเช้าในเช้าผมก็ทำเออสามสิบนาทีแล้วในตอนเย็นผมก็ทำสามสิบนาทีอืมนั่นใช้พุโธ้หรือใช้อะไรเอ่อพุโธแล้วเออลมหายใจครับอืมนั่งได้ถึงสามสิบนาทีเลยใช่ครับ หลับบ้างบ้างมันก็มีอยู่ครับออมีเหมือนกันเลยหลัได้เหมือนกันนะอือใช่ครับโอเคอย่าหลับนะพอหลับแล้วต้องรีบปลุกขึ้นมา <c oughs> โอเคพยายามทําต่อไปนะใช่ครับแม่มีอะไรไหมตอนที่ผ้จาจันถามว่ามีหลับไหมโยงจันต้ตอนที่มเมเองเขาเอาผ้ามาคุมโปงอะครับพี่จ แล้วเหมือนกับว่าเขาจะไม่ให้พ่อกับแม่มองเห็นว่าเขาก็ทอะไราเพ่ออมาคุ้มโปงน่าจะเป็นจังหวดนั้นมากกว่าหลับป่ะตอนคุ้มโปงหลับป่ะเกือบเกือบหลับหนึ่ะเ็กไม่ได้คับเพราะว่าเพราะว่าโยงก็มองไม่เห็นเขา่หลับหรือเปล่าทำไมต้องคุมโปงด้วยคุมโปงไมเอะ ผมไม่รู้ผมคิดว่าคงเย็นผมอะไรนะเย็นอาจจะอากาศหนาวอย่างนี้หรือเปล่าหรืออาจจะแสบตาจะเปิดไฟแล้วแสบตาหรือเปล่าลูกแม่หาทางออกให้แล้วนก็แสบตาก็หลับตาได้เวลานั่งสมาธิก็ต้องหลับตาสิจ้ะหลับตากันหนาวใช่ไหมสรุปก็ันหนาวด้วยจะ่บางทีเขาพีเจียมากอย่างเนี้ยครับ นั่งทุกวันนะติเเียร์มาโอเคเ ร, รู้สึกลจากนั่งสเสร็จแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างา ก, ก็ดีใจเจ๊ก็ง่วงงอนนิดเดีง่วงงอนนะต้องนอนดับสบายเลยเดีย่ยนอนเสจ ก, ก็นนอนเลย <c oughs> โอเคคุณแม่มีอะไรไหม พระอาจารย์โยไม่มีเจ้าค่ะก็คือช่วงนี้ก็ถูกพอกกทุ่ถุใชยไถไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์พยายามรักษาใจให้เป็นปกติแล้วก็ถ้ามีความทุกก็พยายามปล่อยวางให้ได้เร็วที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์เพื่อให้ใจกลับมาปกติค่ะทุกป้ออะไรอะไรนะคะพระอาจารย์ทุกพออะไรนะะไระะูร้ไหมทุกพออราะ ก, กิเลสเจ้าค่ะพระอาจารย์ความโกรธตัวพยาบาทแล้วก็ตัวตัวการราคาเจ้าค่ะอาะจารย์อืม ่แล้วก็มองให้มันเป็นสติปัญญาสมาธิความอดทนเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเมื่อคืนก็เพิ่งมีปัญหาไปเรื่องการปวดปวดน่องมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์จะนอนไม่หลับเลยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ผ่านไปได้ค่ะเพราะว่ามันก็มันมันมีมาแล้วมันก็มันก็แตกสลายไปนะคะพระอาจารย์ค่ะบางทีสติไม่พอยเจ้าค่ะพระอาจารย์ยิ่งใหญมันใช่ค่ะตัวมันหค่ะ ค่ะแล้วก็คือโยมก็พยายามดูตัวความพอใจกับไม่พอใจด้วยค่ะว่าอย่าให้มันมีตัวกิเลสตัวนี้ตัวตันหาเข้ามาะค่ะพระอาจารย์เพราะงั้นมันก็จะจะซ้อนเข้าไปอีกนะคะพระอาจารย์พอมไม่พอใจมันก็จะทุกขึ้นมาใช่จ้ค่ะแต่เราก็รักษาได้ก็รักษาไปนะไม่ได้ห้ามนวดได้หรือทําอะไรได้ก็ทําไป <c oughs> <c oughs> ถ้าทำแล้วไม่หายก็ต้องทําใจ นัวเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่บางทีโยมก็คิดคือมันคล้ายๆกับว่าพอมันทุกข์เนี่ยมันต้องคือสติไม่พอนั่งสมาธิมันมันไม่เกิดปิติเพราะว่าบางทีถ้านั่งแล้วมันเกิดไปถึงปิติเนี่ยมันก็จะพอคลายไปได้พอลืมไปได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่เมื่อคืนเนี่ยรู้สึกว่าสติไม่พอก็เลยต้องเอาปัญญาเข้ามาช่วยโยมเมื่อกี้ว่าถ้าสมมติตอนเนี้ยฉันถูกถูกมัดแขนมัดขาเดี๋ยวแล้วมีคนอ่ะเอาไฟน่ะมาเจ่อใกล้กับอะไรนะใกล้กับใกล้กับน้องของโยมอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็รอมันก็ทน เดี๋ยวไฟมันดับมันก็จะหายไปเองอย่างเนี้ค่ะอาจารย์หมืความปวดอย่างเนี้ค่ะก็คือก็คือเหมือนกับว่ามันทําอะไรไม่ได้อ่ะก็ต้องปล่อยมันไปอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ก็พอที่จะไม่ไปสนใจหรือไม่พยายามที่จะดิ้นเพื่อที่จะให้เอ่อเกิดความอยากที่จะให้ความปวดตรงนอกมันหายไปอะค่ะพอาจารย์แต่สุดทา้ายมันก็หายไปนะคะอาจารย์ก็หลับได้ <laughs> มันก็หายไป ก, ก็นานอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์อก็พยายามอย่าไปทุกข์กับมันะค่ะ เคแต่พอมันผ่านไปได้ความมั่นใจมันก็มานะคะพระอาจารย์ทีหลังก็มาอีกมาอีกสิมึงมาอีกก็จะได้เอาแบบจะได้แบบเป็นเครื่องทดลองความไอ้นี่ของเราอะค่ะพระอาจารย์ไีที่จะอยู่กับมันได้ยังไม่เดือนแล้อนก็คยต้องชอบมันเปลี่ยนจากต้องชอบเลยค่ะระอาจารย์ต้องชอบเลยเราชอบอะรพอเราชอบอะไรแล้วเราได้ก็เราก็ดีใจก็พยายามมองว่านี่ก็เป็นเป็นวบายแก้ แก้ความไม่ชอบที่เราเราไม่ชอบความเจ็บถ้าเราเปลี่ยนจากความไม่ชอบมาเป็นความชอบได้มันก็สบายใช่ไหมบางทีบางทีเรากินอาหารเผ็ดกินไม่ได้เนี่ยแต่เราไม่มีอะไรไม่มีทางเลือกต้องกิ น, ม, นมันก็พยายามกินมันเรื่อยๆชอบมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ ม, มันก็กินได้นะ มันอยายามพยายามอยู่กับมันไปอย่าไปอย่าไปอย่าให้มันหายอยู่ไปจะค่อยๆชินกับมันแล้วต่อไปมันก็อยู่กับมันได้มันก็เซนอยู่นะคะพระอาจารย์เวลามันเกิดอาการขึ้นมาแต่ก็อีกใจหนึ่งก็มึงมาซิกูจะสู้มึงสักตั๊บอย่างเงี้ยคับพระอาจารย์มันก็เพือจิ๋วจะขาดพระอาจารย์เพราะนั้นถ้าใช้พุทโธได้ก็ใช้พุทโธไปเท่าพุทโธพุทโธไปแล้วสวดมนไปก็ได้อย่าอย่าอย่าไปใช้ ขันติอย่าไปใช้อดทนสู้ไม่ได้ลำบากะนะเบงใจให้อยู่กับพุโทโธเบ่งใจให้อยู่กับการสวดอะไรแล้วมันจะเฉยแล้วมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้โอ้ขนาดเท่านี้ยังยังยังไอ้นี่เลยถ้าเป็นช่วงตอนหมดหลมนี่น่าจะทุกข์ทรมารมากนะคะอาจารย์ก็ไม่เน่ยอาจจะไม่เจ็บอะไรก็ได้ใครไม่รู้ ผู้สาบผู้จนะไปขอให้งนัอยู่ที่ใจนะที่ทรมานใจมันทรมานเองร่างกายไม่ได้ทรมานร่องการมันก็เจ็บไปตามภาษาของมันนะแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันใจก็จะไม่ทรมานนะเราต้องทําดูเวลาเจอความเจ็บก็พยายามพยายามหัดอยู่กับมันไปพยายาม ตอนนั่งมันเหมือนกันเราเจอความสุขะสุขทุกมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันสุขก็เวทนาทุกก็เวทนาทําไมเราเลือกเอาแต่สุขแลเราไม่เอาทุกมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันเห <c oughs> มือนคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งเราชอบอีกคนนึงไม่ชอบใช่ไหมพอใจคนเราไม่ชอบใจเราก็ไม่สบายใจขึ้นมาะ มันก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมแต่ทำไมเราไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจกับคนที่เราไม่ชอบต่ก็อีกคนนึงถึงคนที่เราชอบเนี่ยมันก็มีอาการฐานทีสองเหมือนกันในผมขนเล็บฟันเหมือนกันแต่ทำไมเวลาเจกระเราสบายแฮปปี้ก็อยู่ที่ตัวเราเนะี่ยเราไปชอบไปชังตัเองถอนใจอย่างนี้ด้วยนะ <c oughs> ตอนที่เราตอนที่เราฝึกการใหม่แล้วก็เราเราิดถึงความเจ็นที่เหมือนกับเสียงอ่เสียงเวลาถ้าเราได้ยินเสียงเพลงที่เราชอบเนี่ยเปิดให้ดังขนาดไหนให้มันแสบหูเลยแล้วก็ฟังได้นะแต่พอได้ยินเพลงที่เราไม่ชอบเนี่ยโอ้โหเบาขนาดไหนมันก็มันก็แสบมันมันก็ท น, นไม่ได้แล้วก็จะคนพบว่าออมันอยู่ที่ความชอบความชังของเรานี่เอถ้าเราชอบอะไรก็อยู่กับมันได้ใช่ไหม แล้วเราชังแล้วนิดเดียวก็อยู่ไม่ได้ไม่เอาเวทนาก็เหมือนกันเวลาสุขเราอยู่มันได้แต่เวลาทุกข์อยู่ก็มันไม่ได้นิดเดียวเจ็บนิดเดียวก็อยู่มันไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกได้สอนใจว่าหัดอยู่กับมันไปเถอะมันก็เหมือนกับเหมือนกันเหมือนกันอยู่ที่ชอบไม่ชอบของเราเองพยายสลับสลับขั้วซะ ให้ไปชอบสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วให้เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่เราเราชอบใจเราจะได้กลับมาอยู่องก์การได้อยู่เฉยๆได้เหมือนฝรั่งที่เขาชอบอาบแดด น, นะคะพระอาจารย์แต่ถ้ า, เ, าเป็นโยมนี่โยมยมกลับไม่ชอบโยมจะวิ่งหนีเข้าที่ล่มเลยค่ะมันก็มันแล้วแต่เขาให้คุณค่ากับแสงแดดอย่างนี้ค่ะพระอาจารนะย์เขาเลย่งเขาใส่อะไรเจอแดดคนไทยนี่เอาเ จ, เจอแดด น, นี่ใส่หมวกใส่อะไรปิดหมดเลยวอร์ริเ <laughs> <laughs> ก็ผิวจะทั้ ง, ง, งครีมกันแดดทออั้งทั้งหมวกคอณผู้มเ่อหลังนี้นอนจอนเลยยังไม่แฮปปี้ใช <laughs> ่ค่ะพระอาจารย์ที่นี่เขามีเครื่องเครื่องอาบแดดไปนะคะพระอาจารย์อืถ้าไป เ, ออเปิดที่เมืองไทยนี่คงจะเจ๊งนะคะคงคงจะไม่มีลูกค้าเข้าไปเหมือ <laughs> นคนที่กินพริกก็ได้กับคนที่กินพริกไม่ได้ะคนที่กินพริกได้ชาวพริกเอว่ากินแล้วอร่อยคนที่กินไม่ได้โอ้เม็ดเดียวก็ ก็นทนแทนจะไม่ไหวค่ะพระอาจารย์คือไอตัวที่พระอาจารย์อาจจะชอบสอนลูกศิษย์เรื่องมองทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติอันนี้ยมชอบชอบค่ะพระอาจารย์ออย่างบางเรื่องเอามาประยุกต์ได้อย่างเช่นว่าเหมือนฝนตกแดดออกหรือความร้อนความเย็นลมพัดอะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์บางทีมันกบมันเป็ น, ปนสภาวะธรรมที่เราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้นะคะพาาระอาจารย์จะบ่นไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ อย่างความปวดขาเมื่อคือโยมข้าพยาหมองให้มันเป็นเหมือนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันพอมันหมดเหตุมันก็มันก็หายของมันไปเองค่ะพระอาจารย์แล้วเราเราไปไปดิดยิ่งใจมันยิ่งยิ่งเครียดยิ่งถูกขิ้งหนักเข้าไปอีกจ้ะค่ะพระอาจารย์ยิ่งเพิ่มทูกเข้าไปอีกอืมก็ได้มองให้มันเป็นอนิจจานัตตาก็ได้มองให้เป็นอนิจจังก็ได้มองให้เป็นทุกข์ก็ได้โยมมองให้มันเป็นพุทธก็แตกสลายของมันเองค่ะพระอาจารย์ก็มาจตกสลายของมันเองไป แต่ทําอะไรได้ก็ทําทําสมาธิไปหาอุบายทําไปสร้างสติไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รอโชคชะต า, าให้มันหายของมันเองเราต้องถ้ามันดับได้ก่อนที่มันจะหายของมันเองอันนี้นก็ถือว่าเป็นโบนัสไปค่ะพระอาจารย์จะทํางให้อยู่กับมันให้ได้ ใ, <ช>ในขณะที่มันยังไม่ดับเนี่ยประเดยน<ช>เป็นประเด็นสําคัญอ<ช>รับใจให้เป็นอุเบกขายให้ได้หรือให้มันยินดีกับสภาวะธรรมนั้นให้ได้ แล้วมันกันจะไม่ถูกพระอาจารย์คุณมาโก้เขาตอนนี้ผมสั้นสั้นะคะพระอาจารย์เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนพ่อจอดเลยอาจารย์สังเกตุเาไม่เขาโกนผมแบบว่าคือมันบางที่มันขึ้นมแค่เดียวยังไม่ถึงเซนติเมตรทบโกนออกปูนออกแล้วค่ะพระอาจารย์เขาก็สบายไปเขาใส่เฮดโฟนมันก็เลยดูเขาใส่เฮดโฟนแล้วค่ะแล้วก็มาเขาเลยสังเกตุดู ขอ้อสั้นเท่าพระอาจารย์แล้วค่ะพริงแต่ยังไม่ได้โกนคิวาาา้วเขาอะไรว่าเขาเขาก็าก้าวหน้าในทางธรรมขึ้นมาเยอะนะก้าวหน้าสถาพรอาจารย์เสร็จเขาเขา้าเข้าใจวิธีปฏิบัติมากขึ้นนะค่ะค่ะดีเขาก็มีความสุขกินเจผ่าพระอาจารย์อืมแต่โยมก็สงสารเขาที่ว่าเขาก็ไปทํางานแล้วบางทีมันมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาอย่างนี้ค่ะโยมก็เป็นผู้หลักฟังไปเอามันเขาเขาก็ต้องปรับนะมันนะต้องมองว่าเหมือนกันดินฟ้าอาจารย์ ที่ทางานเหตการณ์ต่างๆเราก็ทําหน้าที่ของเราไปทำเท่าที่ทําได้ส่วนส่วนคนอื่นเราจะไปครอบครมบางท่านเขาขไม่ได้ก็<ม>อบอกกับเขาคุยกับเขาไว้ี่ยค่ะบางทีเขามาเขาก็บางกีเขาทางานเขาก็โทรเข้ามาหาแบบว่ามาระบายอะไรฟังก็เป็นกู้หลักฟังให้เขาไปมไม่รู้จะไปบวชให้ใครฟัง บอพพ่อจย์ก็เจอกันแค่สัปดาห์ละครั้งกัโยมมิ้ก็ทุกวันอืมโอเคมีอะไรไหมก็ไม่มีก็พระอาจารย์มีโยมมีความคืบหน้าคือว่าตอนเนี้ยโยมอ่ะพยายามมองว่าโยมอ่ะเป็นเอ่อเป็นผู้เช่าบ้านแล้วเขาอ่ะเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นเป็นผู้ให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแลกกันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจาันโยมก็ทํางาน ก็คือว่าโยมไม่ต้องจ่ายค่าช่าบ้านใช่ไหมคระอาจารย์ mm hmm. แล้วเขาอ่ะก็คือเป็นจ่ายหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยโยมก็เขโทรมาโยมก็คิดว่าโอเคค่าปรึกษาชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยก็คือว่าโอเคพขโทรมาใช่ไหมเขาดีกว่าเขาโทรไปปรึกษาแบบว่าพวกเทเลปีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเสียตังค์อ <laughs> าจารย์โยมเมื่อกี้ว่าโยมก็จ่ายค่าเช่าในการรับฟังปัญหาของเขาแล้วก็ทํานู่นทํานี่ให้เขาอะไรเงี้ยครัอาจารย์ ก็ตอบแทนคุณคืนเขาก็มีงคุณคืนได้ใช่ค่ะเพาจะคิดเยอสบายใจค่ะแล้วยองตอนนี้โยมไม่เครียดหรอกเรื่องสีลห้าคุณจะดีไม่ดีมันแล้วแต่คุณมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องทางธรรมของคุณเมื่อก่อนโยจะเครียดเียดจากค่ะพระอาจารย์สีข้อสามสี่ข้อสี่ทำได้นะปีบังคับของใช่เครียดเครียดแต่คือโยมาต้องเปลี่ยนสมมูลนะคะอาจารย์คือมันมันมันมันได้ตรงเนี้ยแล้วมันมันเหมือนใจมันก็ยอมตรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์กว่าจะหาสมมุติเจอที่ใจมันยอมรับนะคะพระอาจารย์มันก็ต้องใช้เวลาพอสมัวเหมือนกัน อุบายปัญญาเนี่ยมันค่อน้างจะยากยาะมากอืแล่วถ้าได้นะมันสบายมันโล่งเลยมันเห็นสบายมันโล่งใช่ค่ะพอ๊ย์โอ้แต่ตอนพระอาจารย์นี่พูดเล่าให้พระอาจารย์ฟังนี่โยวมขนลุกเลยค่ะพระอาจารย์คือมันมันมันมันรู้สึกมันมันสบายใจมันโล่งใจค่ะพระอาจารย์อแล้วเราก็สบายใจเขาก็สบายใจด้วยเขาไม่ต้องไปบีบบังคับเขาอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ ไปอย่างตอนที่เราเจอทุกข์ก็ไม่ได้แล้วก็เปรียบเทียบกับเสียงที่เราชอบกับไม่ชอบเอาไม่เข้าใจอ๋อมันอยู่ที่ตัวเราเองเราไปชอบไม่ชอบมันนั่นเอง่็เลยพยายางทําใจเฉยๆอย่าไปชอบอย่าไปไม่ชอบมันมันก็อยู่กับมันได้แล้วค่ะอาจารย์แล้วเรื่องรังเกียจกิเลสเมื่อก่อนโยมก็จะชอบเพ่งโทษคนอื่นอยู่แต่รู้สึกเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าพระอาจารย์จะอ่จะบอก ออท่านหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าการเพ่งททษคนอื่นเนี่ยมันเป็นตัวมานะมันเป็นตัวยกตรงยกตนข่มท่านอย่างนี้ค่ะโยมก็อ๋อเลยสชาหมคะพระอาจารย์ว่าว่าเรานี่มันมันมันมันชั่วจริงๆมันสาระเลวจริงๆถึงจะไปมองเขาในทางที่ไม่ดีอย่างเนี้ยะคะพระอาจารย์แล้วมันช่หน้าที่เราเลยสชาไหมคะพระอาจารย์มันจะย้อนกลับถางตัวเองแล้วมึงเ่ะไม่เไม่ไม่ว่าเขาแล้วมึงไม่มีที่จะแบบไม่มีเลยใช่ใช่นะค่ะ แล้วตอนที่เราคิดตาหนิเขาในเขาว่านอนสบายเฉยไปเราก็มานั่งคิดโู้มันชุ่วเหลือตัวเองใช่ป่ะพระอาจารย์นอนไม่หลับเพราะเป็นตําหนิเขาใช่เจ้าพระพเจ้าถูกเขาถูกตาหนิเขาให้เลื่อนเลื่อนเขาหลับสบายเขาไม่รู้จะไปเลยด้วยมันนั่งคิดนั่งเคลียนนั่งนั่งนิ้วคิ้วขมัวใช่ป่ะพระอาจารย์อืโง่จริงจริงเลยมันไม่รู้จะด่าครับสรรหาทําไหนมาด่าตัวเองครับอาจย์จะไ่เปลี่ยนเขาเขาเป็นกล้วยอยากให้เขาเป็นส้ม ใช่ใช่ค่ะอาจารย์พูดให้คิดอะไรมันก็ไม่เขาก็ไม่เปรียดหรอกเราก็เนี่ยค่ะพระอาจารย์เราก็ยังเลวเหมือนเดิมพราะไปว่าเขาเพราะว่าถ้าถ้าเราดีจริงเราจะเราจะไม่มองเห็นความไม่ดีของคนอื่นเลยค่ะพระอาจารย์เราจะมาเพ่งที่ตัวเราอย่างเดียวเลยอันเนี้ยยมยอมยมชอบมากเลยอันเนี้ยแล้วมันแล้วมันใจมันคล้ายๆก็มันเชื่อค่ะพระอาจารย์มันเชื่ออุบายนี้มันเชื่อค่ะอาจารย์เชื่ออื ดูโทษของคนเลยมันก็ไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นรวดเร็วหอกดูโทษตัวเราดีกว่า mm hmm. มันจะดูเป็นตัวอย่างมาสอนเราได้อยู่ก็ทํางี้ไม่ดีนะเราก็อย่าไปทําตามเขาทําทำงี้ดีน ะ, อะเอราลองพยายามทําให้ให้ได้ถ้าดูแบบนี้ได้อยู่ mm hmm. ดเูเพื่อศึกษาเอามาเป็นบทเรียนสอนใจเรา โอเคมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์เราพอหอมปากอมคอนนะมันะเล็กมันนิดมันละหน่อยนนโยมก็เกรงใจเพราะว่าเดี๋ยวถ่าถึงก็จะรอนานด้วยค่ะพระอาจารย์จริงๆก็ไม่ได้มีคำถามอะไรแต่ว่าพระอาจารย์ชวนคุยโยมก็เลยไปยาวเลยเจาค่ะชอบก็ชอบขังเราด้วยน้องจะได้เขาก็มีบทเรียนแล้วเขาก็เรียนสังไปเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วยโอเคอนุโมทนาถือว่าเราเป็นหนูสะเภาก็แล้วกันอยู่ในห้องแหละ ให้นักศึกษาก็ผาดูอบคุณพระอาจารย์ก็สัปดาห์นะั้อาจจะมีคำถามไม่รู้เหมือนกันบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีแต่ว่าถ้ามีก็อาจจะกันกรอมาก่อนที่พระอาจารย์จะถามเพราะว่าบางทีคำถามมันโ ง, ง่ๆไปเดี๋ยวยโดนพระอาจารย์ตุ๋ยคว่าสมันจะไม่ค่โดนพระอาจารย์ดุต้องกั้กอคาถามดีๆก่อนที่จะมาถามพระาวก็ไม่ได้ดุเพราะด้วยความโกรธชังนั่นแก็ดุเว่า มพูดไม่เข้าเรื่องมันก็เลยต้องดูเนี่ยค่ะกเขอเป็นความโง่ของโยมเองเลยต้องกั้นกองก่อนโอเคนะครับคุณแนนต่อคุณแนนนี้อยู่ไหนอยู่เมืองไทยหร้ออยู่ที่ไหนอยู่ซิกไหนของโลกกราบนวสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้อยู่ไกลหนค่ะอยู่อังกฤษค่ะนอนนอนเลยใช่ค่ะมาถึงเมื่อวานเจ้าค่ะ ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เจอนอนๆนี่ น, น, นอนแค่โรงแรมนะส่วนใหญ่ก็ อ, อยู่อยู่ที่สนามบินค่ะก็เข้าเมืองได้ทั้งสองได้ตลอดค่ะได้อยู่สองคืนนี่เมื่อวานก็เพิ่งเข้าเมืองไปไปไ ป, ไปกับน้องๆมาค่ะ<อ>ไปซื้อข้าวกินแล้วก็กลับไม่ <laughs> คือมามาหลายทีแล้วค่ะกไ็ไม่หมดมุกแล้วค่ะไม่รู้จะไปไหนแล้วเจ้าค่ะก็แต่ก็ต้องออกเพราะว่าแถวโรงแรมมันไม่มีอะไรให้กินเจ้าค่ะก็ต้องเข้าเมือง มันก็เหมือนเหมือนกันนะทุกเมืองใช่ค่ะก็ก็บินมาจนเดี๋ยวนี้เวลาไปทํางานก็ออกไปแค่เพื่อไปหาอะไรกินแล้วก็กลับมานอนพักผ่อนแค่นั้นจ้ะค่ะไม่ได้เที่ยวไหนเลยค่ะเพราะไปดีทีมันก็เหมือนกันทุกครั้งค่ะก็ที่บอกหลวงพ่อเดี๋ยวอีกสามปีบินไม่ไม่ทํางานแล้วก็คิดว่าคงใช้ช่วงสามปีเนี้ยบินใ ห, ให้ให้ให้ให้เบื่อไปเลยแล้วก็ พอพอเลิกทำงานแล้วก็คงไม่ได้บินไปไหนได้อยู่บ้านนะคะค่ะปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นค่ะแต่ตอนนี้ก็ก็เหมือนเป็นช่วงลองผิดลองถูกอะค่ะหลวงพ่อคือก็ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ถึงไหนแต่ก็แค่ว่าได้มีเอามาใช้ในการเจริญสติในในการทำงานในการใช้ชีวิตร่วมกับคนนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าปฏิบัติได้อะไรไหมคือตอนนี้ก็รู้ตัวว่ายังอยู่ในช่วง ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆค่ะก็ทุ่มเทให้กับการเจริญสติให้มากที่สุดก็แล้วกันค่ะบางทีนั่งนั่งสมาธิแล้วก็คิดว่าตัวเองมาถูกทางแล้วแต่พอพอไปนั่งอย่างที่เคยนั่งแล้วก็เอ๊ะมันก็ไม่ได้เหมือนครั้งก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับหาวิธีที่มันถูกกัดจริตกับตัวเองไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนเนี้ยเหมือนกับว่านั่งนั่งสิบครั้งมันก็ไม่เหมือนกันทั้งสิบครั้งนะคะ บางทีก็จะแบบเอ้ยเรานั่งตรงไหนทําอะไรผิดอย่าเงี่ยต้องมานั่งวิเคราะห์หาวิธีไปเรื่อยๆแล้วใช้วิธีเนี่มันอยู่ที่สติมันมีมากมีน้อยมากกว่าค่ะก็เลยเอ๊ยหรือเราทําเราทําผิดตรงไหนแต่อาจจะเป็นที่หลวงพ่อบอกจริ ง, รงๆค่ะว่าว่าแต่ละครั้งเวลานั่งมันก็มีมีภาวะมีอารมณ์ก่อนที่จะนั่งสมาธิไม่เหมือนกันมันก็เลยได้ผลออกมามากน้อยไม่เท่ากันทุกครั้งเลยค่ะค่ะ แต่ก็จะพยายามแต่ก็ไม่ค่อยแต่ช่วงนี้ต้องยอมแล้วว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้นั่งเลยเจ้าค่ะกินเวลากินกับเวลานอนมันมันแย่อะค่ะมันมันมันเป็นมันทำกลับไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกับพอคิดว่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนั่งสมาธิมันก็ง่วงแล้วค่ะมันก็มันเหมือนก็มีแค่เวลากินกับเวลานอนเพราะพอนอนก็เดี๋ยวตื่นมาก็ต้องไปทำงานแล้วเลยกลายเป็นเหมือนเป็นคนผลัดไปเรื่อยๆช่วงนี้ เขาขาด้ยังทำงานอยู่มันจะยากต่อการปฏิบัติเนี่ยค่ะพยายามพยายามหาเวลาทุกวันเลยค่ะว่าจะนั่งแต่พอพอเราเราทํางานเสร็จเราก็มีแค่เรื่องเรื่องกินกับเรื่องนอนนะเจ้าค่ะมันเหมือนไม่มีอะไรนะเจ้าคะแต่มันเป็นเ้าเรียกไงถ้ามันเป็นตัวตัวที่ทําให้ขัดขวางการนั่งสมาธิมากเหมือนกันเจ้าค่ะแค่เรื่องกินกับเรื่องนอ น, นเนี่ยแห้ะค่ะก็เรื่องงานด้วยค่ะ เรื่องงานนี้ก็เจอคนบางทีเจอเพื่อนร่วมงานมาเมื่อวานเมื่อวานก็บินมาสิบสี่ชั่วโมงอยู่กับต้องทนอยู่กับเพื่อนร่วมงานไม่น่ารักก็แอบทบรมานเจ้าค่ะแต่สุดท้ายก็เหมือนกับที่หลวงพ่อพูดอะเจ้าค่ะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้สุดท้ายคนที่ทุกข์ก็คือเรานั่งบนนั่งอะไรเข้าไปแต่ก็ทุกข์เองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องบินด้วยอีกรอบนึงเจ้าค่ะทำใจ<ช>ใช่ค่ะใช่ค่ะบินมาด้วยกันก็ต้องบินกลับด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองจะลอง เปลี่ยนความคิดดูแบบไม่สนใจแล้วเอาก็เปลี่ยนไม่ได้งั้นก็ก็จะก็จะเป็นยังไงกันเรื่องของเขาไปค่ะพักทำใจไม่ยุ่งไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่เข้าใกล้ค่ะจะได้ไม่ทุกข์ได้ไหมคะเหมือนกับว่ามเหมือนเล่าหนีไหมคะไม่ได้หนีใช่ไหมคะแค่ไม่ไปเขาแล้วเปลี่ยนไปชาบเขาดูไม่ได้ชอบเขาได้ก็สบายเดี๋ยววันนี้จะพยายามเข้าไป ยิ้มแย้มกับเขาดูแต่ดูเขาดูเขายิ้มยิ้มแย้มเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมรับนะคะดูไม่แน่นะ พ, <อ S 1> พอเรายิ้มเขาแปลกใจตกใจก็ไรให้ขามาอีกแบบหนึ่งค่ะกับอยูอ่ที่มายิ้มแย้มเราย่งมุก ด, ดูเดี๋ยว่าเขาจะทำยังไงได้เจ้าค่ะเขาจะตามนำ้ำหรือเปล่าแล้วก็อาจจะนั่งเล็สงสัยอยู่ว่ามาไม่ไหนมาก็นี่มาไม้ธรรมะท่าก็ถามว่านี้มาไม้ธรรมะได้เจ้าค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองวางใจให้ให้ไม่ไม่ไปโกรธไม่ไปไม่ชอบไม่โกรธไม่เกลียดดูวางใจตใเต็มเมตตาทำคำจุนโลก<ฆ>อยู่้ อ, องอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาจะเมนแต่ความสุขค่ะก็เหมือนได้ฝึกได้ฝึกกันคอยู่กับอยู่กับคนด้วยกันใน<ม>ในโลกทางทางโลกนี้ก็เหมือนกับได้ฝึก การแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวดคนบางคนคิเวลาสวดโมนีแผ่เมตตาไม่ได้ไม่ได้แผ่หรอกค่ะต้งเนี่ยต้องเจอเหตุการณ์เงี้ยแล้วแผ่ไปเลยลองแผ่ด้วยการกระทําเดินเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองจะลองแผ่เมตตายิ้มแย้มให้เขาดูอืาค่ะบางทีใช้เวรคาผิดเวลาบางทีคนรจะใช้เมตตากลับไปใช้อเบรคาอืม โอเคอมันก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ผลถ้าเราเกี่ยวข้ อ, ของกับคนก็ควรจะใช้เมตาก่อนนอกจากว่าเมตาแล้วมันใช้ไม่ได้ผลก็ต้องกลับมาที่อุเบกขาเอ้เนะแผลเมตตาแล้วยิ้มให้เขาแล้วเขาไม่เอาด้วยก็อ่ะเราก็กลับมาที่อุเบกขาแต่เราไม่ต้องไปเสียใจไปกอดเขาอืเมือ่อวานหนูคงใส่ลงใส่หนูคงจะลืมหัวข้อเมตตาไปคะ่ะคิดจะเป็นอุเบกขาอย่างเดียวแล้วมันทําไม่ได้ก็เลยทุกข์ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองใช้วิธีเมตตาเช้าค่ะต้องคอยเตือนตัวเองค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณท่ะหลวงพ่อพยายามต่อไปเจ้าค่ ะ, ะไปที่คุณหมอภาสนะคุณหมอวันนี้ยังทำงานเยอะป่าวคุณหมอม อ, อไม่ได้ทำค่ะก็ปล่อยวางได้หมดแล้วค่ะพระอาจารย์เ<อ>มื่อก<ม>่อนนี่ทำทาทำกี่หนึ่งก็ทำโรงพยาบาล อ๋อตอนนู้นเลยนะทำโรงพยาบาลแล้วก็ทําคลินิกทํำหลายอย่างไะทำสามสี่คือเป็นคนขยันทำงลายอย่องค่อยๆพอเจอพระอาจารย์ค่อยๆแกะไปใช่แต่จริงๆแล้วก็คือมันไม่ทําได้แต่ว่าเป็นคนที่ชอบทํางานเนี่ยก็เลยทําไว้อยู่ตอนนี้ก็ปล่อยหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ปล่อยไม่ไม่ได้ทำแล้วค่ะเพราะมันก็อยู่ได้ค่ะพระอาจารย์ไม่ทำธรรมะดีกวกานะใช่ค่ะมาทํำธรรมะดีกว่าเพราะว่าเวลามันไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็ยังมีบุคคลรอบๆข้างเราถ้าเราไม่ทํา ก็มันก็จะช่วยใขรไม่ได้ค่ะก็พิธพระอาจารย์บอกว่าให้ทําเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็เลยว่าเนี่ยพิธาคลุ่พ่อไปไปไว้วัดพระอาจารย์ตันนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวว่าจะไปอยู่พระอาจารย์ตันเจ็ดวันนะคะลองดูแล้วก็ไปเพราะไม่เคยไปที่พระอาจารย์บอกก็ยังไม่เคยไปเพราะติดโควิดเนี่ยค่ะต้องต้องไปจาที่ก่อนใช่หมใช่ใช่ค่ะต้องเดินบนโทรศัพท์มานะคะไปที่วัดเลยก็ไม่เจอพระอาจารย์นะเพราะพระอาจารย์ไปงานค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งใจจะไปเพื่อจะไปเอาเบอร์เนี่ยนะคะพระอาจารย์แล้วไปดูว่า เขาจะอยู่ยังไงเพราะว่ามันต้องสอมปีที่แล้วไม่ได้ไป <Okay. S 2> แล้วก็จะสลั ก, กันเคยไปอยู่มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเพราะอาจารย์บอกบอ ก, บอกไปให้ไปอยู่แต่ว่าตอนนั้นติดโควิดนี่ยคะก็เลยกลับมาอยู่เขาชีโอนแทน mm hmm. ไม่ได้ไม่เคยไปเลยค่ะ mm hmm. เคยไปขออ mm hmm. นุ ญ, ญาตพระอาจารย์ต่างนะท่านก็อนุ ญ, ญาตแต่ว่าบัดตอนนั้นช่วง น, นั้นคือมันโควิดเยอะไงคะก็เลยเขาก็เลยปิดแต่ช่วง น, นี้ mm hmm. เขาเปิดแล้วค่ะก็เลยเดี๋ยวลองดูจะไปสักเสร็จวั น, นะคะ่ะแล้วก็ mm hmm. ไปแล้วก็กลับ กลับมาพาคุณพ่อไปทําบุญแล้วก็ฟังเทศนะคะพระอาจารย์แล้วก็จะไปวัดแล้วสลับไปไปหาวัดด้วยอยากได้ชี้แบบมืดๆลึกๆมากขึ้นเรื่อยค่ะรู้สึกว่าติดใจความมืดมากเลยพระอาจารย์ชอบมันเห็นอะไรเยอะเห็นความมืดมันเห็นใจตัวเองเยอะอะค่ะชอบแต่ว่าอยู่สว่างก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยไม่มีปัญหาพระอาจารย์อยู่สว่างก็ได้มืดก็ได้ค่ะต้องขอบคุณพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระนะคะอพรุ่งนี้เราไปเหมือนกันวันพระ เอ้ที่คุณปั๊บต่อคุณปั๊บใช่ไหมคุณปั๊บหรือเปล่าไม่ใช่ท๊อบคุณท๊บปกราบคน้อมกับนััญชการพระอาจารย์กรับผมอืเป็นยังไงมีอะไรไหมยังไม่มีครับผมอยู่บนเขาเลยแล้วย้ายลงมาอยู่ข้างล่างนะอ๋อกลับบากลับมากลับมาที่นนทบุรีแล้วครับผมอ๋อไปอยู่บนเขาเมื่อกห่วันน่ะ ได้อยู่แค่คืนเดียวเองครับเอี่ยทำไมนะอได้แค่คืนเดียวพอดีเจอผีจร <c oughs> ิงๆอยายงอยู่ยถึงวันที่สิบแล้วครับนัดกับน้องอ๋อไม่ไม่เจอผีครับผมแต่ว่าแค่แช่ที่ผมอยู่ทางทางเดินจงกลมจะมีจะมีมดมดเยอะนิดนึงครับอันนี้ผมก็เลย เปลี่ยนไปอยู่แช่สองแต่ทีน่นี้พอดีผมติดตรถน้องชายไปน้องชายเขาเขามีเหตุที่ต้องกลับมาด่วนผมก็เลยก็ต้องเลยต้องกลับมากับน้องชายครับผมน้องชายขึ้นไปอยู่ด้วยกันนะเปล่าครับน้องแทนไม่ได้ขึ้นไปครับน้องชายไปส่งเจเจครับอืมครับผมโอเคแล้วได้ประสบประการอะไรไหมอยู่คืนหนึ่งนี้ อืมได้อยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ได้ได้เดินเดินลงมาจากบนเขาเป็นระยะทางที่ไกลนิดนึงแล้วก็ได้ช่วยรับบินทบาตพระอาจารย์รู้สึกดีมากๆรู้สึกดีมากครับผมมีความกลัวไหมรู้สึกกลัวไหมเวลาอยู่บนเขาอยู่บนเขาผมรู้สึกไม่ค่อยกลัวครับอืมเช่ใชเนะี่ย ครับผมผมผมชอบอยู่อยู่คนเดียวครับผมรู้สึกดีเลยครับก็อยู่อย่างนี้มาก่อนเนะไม่ไม่เคยครับเ็ที่ว่าคืออยู่บนเขาแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าไม่ไม่เคยอยู่แบบนี้มาก่อนครับปฏิปธรรมไม่ไม่ไม่มีน้ำป่าไม่มีไฟฟ้าครับผมไม่ไม่เคยอยู่ในที่ปฏิบัปธรรมแบบนี้มาก่อนครับผม ก็ดีอยกกลับไปยองแม่อยากอยู่ครับแต่ว่าเร็วๆนี้ผมอาจจะได้ได้ย้ายที่ทำงานไปทางโซนภาคอีสานครับครับผม ก, ก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะไปอยู่ทางภาคอีสานนะครับทางนั้นมีวัดกูบาจาย์เยอะครับผมผ ม, ผมเออผมเขียนผมเฉียนย้ายที่ทำงานไปไปอยู่ใกล้ๆกับ วัดป่าอุดมมงคลว่านารามครับที่ไหนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดวัดหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าวอเ อ, าอ่อวัดป่านาคามน้อยครับที่ที่อำเภอนาอยุงจังหวัดอุดรธานีครับหลวงพ่อยินทรไว้ครับผมเอ่อครับผมผมผมผมคิดว่าจะย้ายไปอยู่ไปประจำการที่ทํางานอยู่ตรงนั้นครับทางทางจากวัดประมาณสองถึงสามกิโลเมตรประมาณนี้ครับผมก็ได้ แล้วราชการนะครับผมอืมโอเคได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ได้ไปได้บ่อยครับผมถ้าครับถ้ามีเวลาบ้างก็อาจจะได้ปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ทาบุญที่วัดด้วยครับผมอ่าดีแล้วที่หยุดทํางานก็ไปอยู่วัดได้อืของผมผ ม, มันไม่แน่นอนครับมันแล้วแต่ จะจะตารางเวียนมาครับมานี้ครับก็แล้วแต่วันวันหยุดก็ไปไปวัดแทนนี้ไปเที่ยวก็ไปวัด่ะครับผมแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะทํางานอีกไม่ไ ม, ไม่นานหรอกครับเพราะว่าวางแผนไว้ว่าจะจะลาออกจากงานครับผมอืกระบวนเรเนียตั้งใจอุปสมบทครับผมวางวางแผนไว้แล้วครับผมอ่าดีมั่นใจนะ ทางทนี่เป็นทางที่ถูกนะมัม่นใจครับผมโอเคนิอ okay. นุโมทนาขอบพระคุณพระ อ, อาจารย์ครับผมโ okay. อเคที่อาจารย์ผมวิไลกอธรรม อ, อคุณอนุโกนเม็นยังไงกลับมาราชการราอาจารย์ค่ะยวาชานีไ้ได้บวชไหคุณอนุโกเนะอนุกนนี่สนหลับสนิท <laughs> เลค่ะเียกม หน้าทางวันนี้จะเหนื่อยครับพราไปเดินลงลงสวนเป็นไมื่เย็นไปก็นอนตามตามตามสบายค่ะเพราะว่าถ้าหลับนี้ก็คงเป็นชั่วสักชั่วโมงอะถึงจะตื่นอีกแล้วอืมค่ะลงสวนไปดูไปดูต้นไม้กันค่ะอืมที่บ้านเนี่ยสมัยที่บ้านเป็นบ้านค่ะที่อีกไร่หนึ่งอะค่ะพอดีเขามาสร้างอะไรผูวิลล่าข้างข้างบ้านแล้วก็รู้วมันพังอค่ะ เลยไปดูกันภูเวลาแบบให้คนมาเช่าอยู่นี่เลซื้อค่ะขายแพงมากเลยค่ะ ข, ขายเลยขายเลยค่ะค่ะติดถนนค่ะบ้านเราก็อยู่ข้างหลังที่เราอีกแปลงหนึ่งนะฮะที่ที่เป็นสวนข้างหลังความสุขของคนทั้งโลกนะภูเวลาเดี๋ยวนี้ขึ้นเยอะมากเลยค่ะแถวกรุงเทพกรีธานี่จเจริญแบบ ในพริตตากลายเป็นแผ่นดินทองไปะะแล้วฮะราคาขึ้นมากมายงงเหมือนกันตอนสมัยก่อนที่ย้ายมาอยู่นี่คือเปรียวสุดเปรียวนะคะสิบกว่า ป, ปีที่แล้วเนี่ยเปรียวมากๆพริตตาเดียวความจะเลยมันก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะค่ ะ, ค ะ, คะวันนี้ก็มารับฟังพระอาจารย์ค่ะคก็รับความรู้ไปนะคะคง ได้ปฏิบัติทั้งจิตฟังน้องๆเราก็ภาวะเหล่านั้นก็เราก็ผ่านมาแล้วอย่างอย่างสบายๆถ้าเขาปฏิบัติเยอะๆวาอุเบกขาให้ได้ในชีวิตประจำวันวันก็จะมีชีวิตที่อยู่สมุกสบายสบายจิตนั่นนะคะกายก็วุ่นวายเหมือนเดิมเจ็บป่วยก็มาอะไรเงี้ยนะคะมันจันทร์เราก็ไปหาหมอกัน สามหมออะไรเงี้ยก็ไปตามร่างกายที่สึกลรอผู้ถูกปูนก็หาสองหมอส่วนตัวก็หาหนึ่งหมอไปก็กันเลยทั้งผิขโยงก็สบายค่ะเหมือนเดิมโอเคนะรักษารักษากายกัใจให้ดีค่ะอาจารย์รักษาธาตุันนะคะค่ะคุณจารกา าชหน่าป <China. S 2> ันทำค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติค่ะโ okay, อเคดีคุณศูกสาวเป็นยังไงคุณสาวเป็นยังไงบ้างรารพระอาจารค่ะพระอาจารย์ยมสบายดีค่ะเดีย๋ยวลูกมาค่ะตอนนี้อยู่หัดใหญ่ค่ะอาจารย์มาหมาหมอแล้วก็ต้องค้างเพราะว่าไม่กล้ากลับกลางคืนค่ะรู้ไันก่อน การเหรอพระอาจาย์อืมังไงหมอว่าไงบ้างอ๋อผ่าผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้มาตัดเอ้ยวันน้ไหนคะ่ะอืมก็เป็นเรื่งของร่างกายก็ทาไปค่ะไม่ไม่มีมดลูกนะคะพระอาจารย์อืมดียังไม่มีมาเมร็งไหนมดลูกเลยเอนี้ค่ ะ, ะเป็นเป็นเนื้อดีค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่เนื้อร้ายค่ะอืม ก็ดีอย่างไรมันต้องมีลูกไงบายโยมก็ไม่โยมก็ไม่ทุกเรื่องหลานค่ะอาจารย์อืมค่ะมีอะไรมมีอะไรมอยากจะถทำอะไรไหมอยากจะเล่าอะไรไหมตอนตอนวางยาสลบนะคะพระอาจารย์พอตื่นมาแล้วตอนแรกหมูคิดว่าน่าจะเอามาอยู่เรื่องการรับมือกับเวทนาค่ะแต่ว่า พอซึมจากยาสลบมันกลายเป็นสลึมสลือค่ะเหมือนเรารู้เรื่องสักสองสามีิสักพักนึงมันก็ไปหลับมันมันมันหลับหลับถึงตื่นนะคะพระอาจารย์มันประคองสติไม่ค่อยไม่ค่อยได้ค่ะพระอาจารย์ได้รับมือกับความเจ็บตอนตอนออกจากห้องผ่าตัดนะค่ะช่วงสามชั่วโมงแรกไม่ค่อยได้ค่ะพระอาจารย์ <H m. S 2> นะเลยรู้แล้วอ๋อเราคงต้องฝึกมากกว่านี้ให้มันไวมากกว่านี้ค่ะถ้าสมมติ เพราะว่าพอวันที่สองมีความเจ็บอยู่ค่ะที่ต้องใช้มอร์ฟินแต่ว่าอสติกลับมาแล้วค่ะมันก็ประคองให้ใจมันมันไม่ดิ้นนะคะแต่ว่าเรารู้ว่ามันเจ็บอาจารย์แต่ว่าถ้าระดับที่มันมีความเจ็บมากๆแล้วอยู่ในสภาวะที่ทําให้สติเราประคองได้ยากนี่มันก็ยากอยู่ค่ะอาจารย์มันต้องคงต้องใช้ต้องทําให้สามารถต้องฝึกสติให้มันมากกว่านี้ค่ะน่าจะช่วยได้มากกว่า อันนั้นยัดต้องทำยังไงเวลาที่มันประกับประคอวสติไม่ได้นึกถึงอะไรได้บ้างหรือเปล่าก็อ๋อก็นึกถึงนึกถึงพระนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์นะคะว่าที่สอนว่าให้ดูมันไปหรือว่าพระพุทธเจ้ายังต้องปรินิพพานอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้ไว้ว่าอ๋อคนเขาเวลาเขาเจ็บนี่มันเจ็บได้ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูมันไปแต่มันก็ยัง ยังเจ็บมากๆอยู่ค่ะพอมองแบบนั้นเสร็จปุ๊บมันก็หลบไปเหมือนมันประคองได้เหมือนเหมือนหลับแต่มันมันภาพมันสวิตไปมาภายในพอแล้วเราก็พยายามดึงมันกลับมาเราก็เจ็บเจ็บอีกอะค่ะพระอาจารย์ไม่เกินสองสามวินาทีที่มันเจ็บแล้วพอประคองสติได้ปุ๊บมันก็วุบกลับไปอีกมันมันสวิตไปมาเร็วมากค่ะแต่ว่าก็พยายามนึกถึงว่าเออให้ดูมันไปหรือว่าคนอื่นๆมันเขาก็ต้องเจอกับ ภาพนี้มากน้อยแตกต่างกันไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์ค่ะอาจารย์ <grabbing. S 2> แต่ว่าก็ไม่ไมันไม่เหมือนเข้าสมาธิแล้วมันจะรู้สึกใจเย็นโล่งกว่านี้ค่ะอาจารย์อาายันนี้ก็อย่าอย่าไปอยากเพราะความอยากมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้เข้าได้ก็เข้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้ามีหน้าที่ทำท่านั่สติไป พุทธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ก็ได้คุณอาจารย์แล้วกอันนี้ อ, นนอันนี้ดีขึ้นแล้วเหรออันนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าเวลาลุกยืนลุกนั่งอะไรเงี้ยก็เจ็บแผลค่ะไม่เพ mm hmm. ิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าคนผ่าตอดเขาเขาแบบว่าร่างกายมันอ่อนแอลงไปเยอะแบบนี้ค่ะได้ mm hmm. แต่ก็พักฟื้นไปเรื่อยๆประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งค่ะ น่าจะดีขึ้นครับอันนี้ก็พยายามใช้ธรรมะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไดใช้สติใช้ปัญญาสลับกันไปค่ะค่ะพระอาจารย์โอเคือยอมยมมีคาถามค่ะพระอาจารย์กับมันมีเก้าอี้ตัวเดียวค่ะที่พักที่นี่เลยจะต้องสลับกั น, มนไม่เวลาแล้วกรร็เวลาพูดก็พูดแตละคนเนะี่ย ค่ะคือโยมโยมตอนนั้นตอนที่โยมเจอทุกข์ใช่ไหมคะจารย์มันรู้สึกมันทุกข์แล้วก็มันอ จ, จะทํำยังไงอุเบกขายังไงจนโยมมาอ่านของพระจารย์ในสกุ๊ปสัน้นๆหาบอกว่าไม่ว่าจะทุกข์รือสุขถ้าระวางมันได้ก็ดีโยมก็เลยมองว่าเออโน้ตทำไมเราไม่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสทั้งหมดเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่นี้ก็โยม ก็เลยเอามามาม า, มาพิจารณาว่าให้มันเป็นอุเบกขาอุเบกขาเสร็จแล้วก็จริ ง, รงๆแล้วเรากําลังสร้างบา ร, รมีอยู่คิดแบบนั้นพยายามคิดแบบบวกอะคะ่ะอาจารย์ว่าไม่ว่าจะทุกข์รู้สุขปัญหาทุกอย่างที่เราเจอมาเนี่ยมันคือการสู่การสร้างบา ร, รมีทั้งหมดแล้วก็โยมมาเจอคําว่าอุเบกขาเนี่มันมันยากนะคะอาจารย์มันยากมากที่จะอุเบกขาได้ทุกเรื่อง ยมรู้สึกว่าบางทีใจมันแกว่งมันมันมันเอายากค่ะพระอาจารย์ยมขอพระเมตตาจากอาจารย์ตรงนี้คก็ถ้ายังไม่มีอเบคขา้าก็ต้องใช้สตินะเพราสติจะเป็นตัวที่จะทําให้จิตเป็นอเบคขานะหรือใช้ปัญญาก็แล้วแต่ว่าเราจะมีความสามารถในทางไหนถ้ายังถ้ายังพลิกแพงอุบายทางปัญญาไม่ได้ก็เราใช้สติไปก่อน ทำใจให้นิ่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งสิน้นให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจไปวันนี้มันก็เมโลเบคหายใจขึ้นมาใช่ค่ะบางทีมันเห็นนะคะพระอาจารย์เห็นหนึงความกระเพื่อมของจิตอะคะ่ะอื hmm. ี๋ยวเฮ้ยมันเห็นเห็นมันรับรู้นะคะอาจารย์มันเหมือนกับเราต้มน้ําในในบเกอร์อะค่ะอาจารย์แล้วก็มันเห็น hmm. พลายน้ําที่มันผุ่ขึ้นอะคะ่ะ มันเห็นถนึงความกับเพื่อนแบบนั้นโยมก็บอกอเฮ้ยเรากํลาลังนั้นอยู่นะก็เราก็มากับเติมสติแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์พูดว่ากับน้อยอีกคนหนึ่งอะว่าระหว่างเมตตากับอุเบกขาวันทีรเราใช้ผิดในเมื่ออื่นนะจะแสงว่าอุเบกขากับเมตต า, าอาจจะต้องควบคู่กันไปแล้วก็การใช้สติอย่างนี้นะคะอาจารย์โยมก็บอกโ อ, อ้นะแล้วโยมมาฟังธรรมะหนา้ากุฏิเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสอสัปดาห์นะคะที่อาจารย์บอกว่า ใครก็ตามที่มาถึงตรงนี้คือมีดวงตาเห็นธรรมยมรู้สึกมีใจฟูขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์เออเนานะอาจารย์บอกว่าเขาเห็นมีดวงตาเห็นธรรมนะแต่กำลังกาลังฝึกอยู่คือก็ใช่แต่ว่าพอมันมาเจอปัญหานอกจากทุกข์แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ยมก็ไปดูบารมีฟิบัศนะคะอาจารย์โอ้เบคขานี่มันคือยากที่สุดใช่ไหมคะยากยา ก, ยากที่สุดก็คือปัญญา อ, อ๋อกาลังเอา ค่ะกำลังเอามาใช้ค่ะอาจารย์แต่ขั้นตอนก็ต้องให้ได้โอเบกขาก่อนแล้วถึงจะไปท้าใช้ปัญญาต่อได้ปัญญาก็ต้องมองเห็นตารักสิ่งทุกอย่างเรื่องทุกเรื่องที่เรามีปัญหาด้วยมันเป็นตายรักทั้งเรามองเห็นหรือเปล่าว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากกับมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ ตอนนี้คือปัญญาออตอนนี้ตอนนี้พยายามมองทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ค่ะอาจารย์แล้วก็โดยเฉพาะคาว่าอนนัตตาโยมโ อ, โอดีจําเลยเดีจังเลยค่ะแล้วก็อยากรู้สึกว่าเออนะพอจากการสนทนาไอ้เรื่องต่างๆที่มันเข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นโอกาสของเราทั้งหมดหรือถ้าเราไม่เจอทุกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านทุกนั้นยังไงถ้าเราไม่เจอปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านปัญหานั้นยังไงยังเออจริงด้วย ม ท, ญญ ท, ทุกบ่มีปัญญาถึงจะเกิดทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดใช่ค่ะย ม, ยมจําของพระอาจารย์นะว่าทุกไม่มีปัญญาทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดแต่ว่ามันมันทุกมันจนลืมไปว่าปัญญามันจะมาแบบไหนแล้วมแต่ไปทุกทุกก็มาท่านลืมลืมพิจาเจาสิ่งที่ทําให้เราทุกข์เพามันเป็นตายใช่ค่ ะ, ะคใช่ค่ะจนมายมอ่านสกุปสั้นๆของพระอาจารย์นะว่าไม่ว่าจะทุกขหรือสุขให้วางหมนลงให้ได้ mm hmm. ยมเมื่ออริจริงทุกสิ่งทุกอย่าง มันใจมันเป็นใบตามเรื่องของมันใช่ค่ะไม่ว่าจะทุกข์หรือยังไงมันคือธรรมะที่มาสอนเราถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านด่านนั้นมาได้ยังไงโยมก็ว่าเออมันจริงๆริงเราทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเรามองไม่เห็นค่าของมันเองค่ะอาจารย์โยมเลบอก อ, อ๋อก็มาได้คําตอบไม่ใช้ว่าระหว่างเมตตากับอุเบกขาบางทีเราลืมใช้สลับกันจริงจริงด้วยค่ะอาจารย์ค่ะโยมต้องโยมต้องเอาอุเบกขาให้มากกว่า นี้ใช่ไหมครับมาเจอทุกตอนนี้เจอแบบโอ้โหอุเบกขาต้องอาศัยสติหรืออาศัยปัญญาถึงจะเกิดอุเบกขาขึ้นมานะคือตอนนี้ห<แ>มายความว่าค่ะโยมจะต้องขับรถจากหัดหจากแว้ง ม, มาหัดใหญ่สี่ชั่วโมงพาลูกมาหาหมอแล้วต้องขับกลับแล้วตอนนี้คือกลับขําไม่ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลับวันเสาร์แล้วก็ปรากฏว่าผ่านไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เกิดการยิงกันที่โกโลขาโยมผ่านมาก่อน ดังนั้นวันนี้โยมก็เลยต้องค้างแล้วกลับตอนเช้าพวกนี้แล้วก็พอปลายเดือนต้องขับรถพาสามีมาพบหมอเออดีจังเลยเราได้สร้างบารามีคิดแบบนี้ค่ะอาจารย์รู้สึกเออมีแรงค่ะอาจารย์ดีค่ะเมตตาบารามีช่วยเหลือคนนั้นค่ะตอนแรกๆ ก, ก็อาจจะมองว่าเออเราทําไมเราเป็นเราตอนนั้นอาจจะคิดแบบนั้นใช่ไหมคะแต่งจากการสนทนาของกัลยาณมิตรเออจริงด้วยแฮะเรากําลังสร้างบา ทำอยู่ถ้าเรามองแบบนี้เป็นบวกนะคะอาจารย์จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราหมดเลยใช่ไหมคะเ อ, อเรมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นบวกได้หมดมองทุกมองมีการสร้างบางมยได้หมดพอมองแบบนี้มันมีพลังค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอะไรรู้สึกอยมก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์นะคะยมขอบคุณกัลยาณมิตรแล้วก็ขอบคุณทุกคนในห้องนี้ที่ทําให้ได้ธรรมะแล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงๆค่ะรู้สึกแบบค่ะ ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะอย่าลืมตายแั้วถ้าอยากจะใช้ปัญญาเราคิดถึงตายแล้วใช่ค่ะตอนนี้พยายามเอาอนัตตามามแล้วก็อาจารย์โพเทสในเรื่องของทุกขอนิจกรรมทุกขออ์อนัตตาจริงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาหมดเลยค่ะอาจารย์สาหรับสําหรับโย ม, มเรื่องเรื่องกายเรื่องเจ็บเรื่องอะไรเนี่ยโยมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครัอาจารย์แต่ว่าอีโก้ค่ะอาจารย์ความยึดมั่นถือมันในตัวเองนี่มันสูงค่อนข้างสูงอาจารย์แล้วก็ โยมจะต้องเอาคาอําขอจานทร์เราต้องเป็นแจวเราต้องรับให้ได้รับให้ได้ค่ะโ mm hmm. ยมก็เลยเอาพระพุทธเจ้าค่ะที่ออกบวชแล้วถูกคนปรามาดเอามาคิดขณะพระพุทธเจ้ายังโดนคนดูถูกยังคนกระทำพระอาจารย์พระพุทธเจ้ายังผ่านมาได้แล้วพระอาจารย์เองเคยคุยอ่านในหนังสือของพระอาจารย์ที่บอกว่าพระอาจารย์ไปนั่งอยู่ดินทะเลแล้วก็เป็นคนมองว่าอาจารย์สติไม่ดีหรือเปล่าโยมว่าเห็นไหมทุกคนจะต้องมองอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เราต้องผ่านตรงนั้นมาให้ได้ครับพระอาจารย์โยมจะพยายามค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณนะครับไปที่คุณมูกตานคุณแม่มาด้วยวันนี้นมัสการค่ะพระอาจารย์คุณแม่มาด้วยมีอะไรไหมไม่ไม่ไม่มีครับพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอยู่อะค่ะ โกเว้าไหมแก้วหน้าไหมแก้วหน้าค่ะใจมันเย็นลงอ่าดีพุทโธตลอดปล่อยวางได้มากขึ้นนะใช่ค่ะก็เป็นสลายจบมาด้วยค่ะได้จะได้ครบเจ็ดวันแล้วค่ะอยู่แต่ในห้องก็ฟังธรรมยค่ะโอเคไม่มีอะไรก็พรุ่งนี้ไปไหนปวันค่นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขึนานหน้าสุติโอเค อาจารย์ mm hmm. คุณสุภตาเป็นยังไงได้ข่าวดีหรือยังงานนมัสการอาจารย์ค่ะยังไม่ทราบผลเจ้าคา่ะจะสอบข้อเขียนเฉยเฉยถ้าผ่านก็ต้องไปสอบทดสอบสอนและถ้าสอบทดสอบสอนผ่านก็ค่อยไปสอบสัมภาษณ์าย <laughs> ขั้นตอนคอนตดสเก็ตเนี่เอาคนดีๆคนเก่งๆ เจ้าค่ะสอบสอบข้อเขียนเขียนจริงๆเจ้าค่ะเขียนทั้งวันเลยจนมือแบบมือขยับไม่ได้เป็นข้อสอบเขียนจริงๆต้องใช้ว่าเขียนจริงๆเขียนตั้งแต่เก้าโมงจนอ่บแล้วก็ผักไม่พิมพ์ดีแม่ใช้เครื่องคอมให้ฮัลโหลตัญญาขขานหายหายเลย เสียงกรดชันนะฮะลองพูดดูเนี่ยบางีก็บางกีก็เสียงดีอยู่นะลองปลดปลดไมค์ออกนะฮะปลดสายไมค์ก็ออกก็จอบค่ะเมื่อกี้มันมีไม่มีสแปมโทรเข้ามาแล้วค่ะก็เลยมันก็เลยทำให้บลูทูธตัดไปเลยเจ้าค่ะไม่ขอขอพากจั์พูดอีกรอบนึงเจ้าค่ะพอดีไม่ไม่ได้พูดอะไรเลย เพียงแต่ว่าเสียงหายไปอ๋อใชค่ะก็ก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าแต่ลูกก็บอกที่บ้านไปว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นเลยเหมือ <laughs> นใช่มองอย่างนั้นก็ดีสบายไม่มีอะไ ร, ารทาก็ดีจะได้มีเวลาปฏิบัติใจค่ะ เจ้าค่ะเดี๋ยวมันก็ดีทั้งนั้นแหละมันอะไรก็ดีไปหมดมเราจะเกิดก็เกิดได้ถ้ามองอย่างนี้ได้ก็สบายฉันโดดยินดีตามมีตามเกิดดีทั้งนั้นเจ้าค่ะน้องนำคำสอนตลอดเจ้าค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระอาจารย์สอนว่าให้รักษาใจเจ้าค่ะลูกก็ลูกก็ดีไปหมดรักษาใจเจ้าค่ะดีเ โอเคไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรมไม่มีแล้วค่ะกับขอบคุณเจ้าค่ะคุณเด็กเชียงรายอันี้ก็มั่นคงอาจารย์ครับผมการปฏิบัติมั่นคงครับผมปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ครับก็ทุกคืนทุกเช้าครับอาจารย์ช่วงที่ผ่านมานี่ก็บางทีก็มันคือปกติก็ปฏิบัติแปดมงคึเก้าโมง แต่ว่าถ้ามีกิจการอะไรก็เลื่อนไปก็ถึงแม้กระทั่งเสวียโมกขาก็ปฏิบัติอยู่กับอาจารย์ครับตื่นตีสี่จะปฏิบัติตอนเช้ากับอาจารย์ครับก็เข้ามารมรับฟังครับอาจารย์ครับไม่มีคําถามเลยครับขอบคุณตุ้งต้าคนนั้สาธุครับกลับถึงบ้านแล้วแหละเป็นหมอกลับมาสการพระอาจารย์รากครับกลับถึงบ้านแล้วค่ะวันนี้ได้ฟังตั้งแต่ต้นเลยค่ะ ให้ทำไมเลิกงานค่าทุกทุกวันแล้วเช้าวันนี้วันพุธวันพุธวันพุธมีมีทํานอกเวลาค่ะอ่าค่ะคนที่เกณิ์ที่กรงวยาบาลนี่อะไเป็นเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่ะอ่าค่ะก็ยังมารายงานการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ยังเหมือนเดิมค่ะอยัางหนึ่งได้ระดับเดิมค่ะก็ยังดียังไม่ถดถอยนะ ครับผมก็พยายามนั่งสมาธิได้ทุกวันครับช่วงหลังมานี้ครับก็ก็แม้ว่าจะน้อยบ้างมากบ้างก็พยายามจัดสรร เ, เวลาครับคขาผมน้องอายเด็ก เ, เด็กคนตั้งใจครับเพยายาราะว่าน้องๆหลายๆคนก็เรียกว่าฝึกปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆเขาครับอืครับแล้วก็ระหว่างวันก็พยายามเน้นเน้นสติค่ะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์เคยบอกว่า ตัวอยู่ตรงไหนก็ให้ใจอยู่ตรงนั้นก็พยายามทําแบบนั้นค่ะพระอาจารย์ครับดี๋ยวก็ุมความคิดหยุดความคิดไว้คคิดเท่าที่จำเป็นถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าคิดค่ะพระอาจารย์มันต้องฝึกมากๆเลยค่ะยังยังยังยังยังคิดเยอะอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะพยายามเจริญสติระหว่างวันอย่างที่พระอาจารย์สอนครับเพื่อให้การนั่งสมาธิมันอ่าดีขึ้นกว่าเดิมครับค่ะ แตะตาดีขึ้นค่ะพระอาจารย์บอกว่าจะได้มารายงานจะได้มีอะไรมารายงานพรอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะไปดีขึ้นไปเรื่อยๆนะค่ะฝากดูค่ะระอาจารย์ค่ะคุณจิ๊บมาว่งแล้ววันนี้ทำงานหรือเปล่าจิ๊บจิ๊บได้ยินไหมนั่งสมาธิอยู่เลย อ่าออกมาแล้วออกจากสมาธิแล้วคุณคุณจุ๊บครับคุณจุ๊บเอาจุ๊บเลยซ่าขอาไปตามไม่ดีดนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเควันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่ ไ, ไงทุกอย่างโอเคช่วงอาทิตย์นี้หนูเสื่อมากเลยคะ่ะถ้าจะบอกว่าคือมันก็ไม่ได้ปฏิบัติ ด, ดีเท่าที่ที่ตั้งใจไว้จ้าค่ะเพราะว่ามันมีธุระ ของครอบครัวค่ะพระอาจารย์<น>ก็คือลูกของหนูมีสองคนนะเจ้าคะคนที่เส้นเลือดในสมองแตกอะค่ะตอนนี้ก็คืออยู่โรงพยาบาลกายภาพครพบจะครบห้าเดือนแล้วแล้วทางโารงพยาบาลก็จะให้ให้อยู่ได้ห้าถึงหเดือนแล้วก็จะให้แบบเหมือนให้ออกจากโรงพยาบาลนะคะ<ม>ก็เลยต้องแบบไปวันวันหยุดของหนูก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าไป ไปเหมือนกับว่าเขาจะสอนสำหรับผู้ปกครองสอนคนในบ้านว่าวิธีการอุ้มจากวิลแชร์ลงมาอาบน้ำเดินขึ้นบันไดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะลูกหนูก็ยังเดินไม่ได้ค่ะพอาจารย์ก็แล้วส่วนอีกคนนึงนี่ก็คืออยู่ในช่วงกำลังแบสอบเข้ามหาลัยค่ะพรอาจารย์ก็ติดติดอีกที่หนึ่งก็วันนี้เพิ่งเพิ่งกลับมาจากพาไปสอบสัมภาษณ์อะค่ะพระอาจารย์ มันก็ยุ่งอะค่ะคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเลยแต่ก็พยายามทําให้แบบพยายามพูดโทษทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะเจ้า ค, ะค่ะก็พยายามทำให้มันดีที่สุดกันส่วนมันจะได้ได้อะไรยังไงก็ยินดีตามมีตามเกิดไปเหมือนคุณสุภัตาพูดนะค่ะอก็ยินดีตามมีตามเกิดอืค่ะแต่ก็ทำให้ดีที่สุดค่ะก็พยายามทําให้ดีที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์อืม ตอนนี้ไม <Okay. S 2> ่มีอะไรอะคะ่ะพระจ่าพยายามรักษาใจไปด้วยนะค่ะอืมขอบพระคุณเจ้าคะ่ะโ okay. อเคคุณมาเลยเชิญสุณมาเลยตาพ่อคะ่ะว่ายังไงเห็นยิ้มเห็นยิ้มทันทีเลยพ่อก็ก<ม>็มีอะไรดีๆค่ะหลวงพ่อ ก็มีความสุขก็ยิ้มเลยยิ้มอ๋อแล้วยิ้มอ๋อก็แสดงว่ามีความสุขใช่แล้วค่ะแล้วก็หนูพูดไม่ต่อเลยอะเหมือนมันมันมันก้าวหน้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะหนูกาลังเล่งกําลังพยายามอยู่ค่ะหนูจะหลุดจะหลุดไม่หลุดจะผ่านไม่ผ่านอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะตอนนี ทั้งทังสติสมาธิอะมันเป็นฐานที่อ่าแน่นกว้างแต่พอหนูสู้ ول, อะค่ะหลวงพ่อสู้พยายามพยายามพยามมันเหมือนจะผ่า น, านไม่ผ่านจะผ่านไม่ผ่านเนี้ยค่ะหลวงพ่อข้างใ น, นอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็มีมีอีกตัวหนึง่งบอกว่าระวังเส้นสมองแตกนะเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันเลยออกมาค่ะหลวงพ่อแต่ว่า ณตอนเนี้ยปฏิบัติสมาธิอะค่ะมันมันไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันเป็นสมาธิอยู่ตลอดอะคะ่ะทีนี้หนูหนูก็เลยตั้งใจว่าหนูจะเร่งแต้วก็จะพยายามก็คือจะแรกเลยอะค่ะหลวงพ่อมันตองมีมมมทุกข์้ปัญญาถึงจะเกิด ต้องเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ใจเราทุกข์แต่แต่มันเหมือนรู้สึกว่ามันสติเกิดสมาธิค่ะหลวงพ่มันเป็นเป็นอะไรที่มันมันใหญ่มันแน่นมันกว้างแล้วค่ะหลวงพ่อมันไม่วกแวกมันไม่อะไรเลยแค่ะหลวงพ่อพอพิจารณาเสร็จแล้วค่ะหลวงพ่อมันก็กลับไปในสมาธิแล้วมันเหมือนมันจะ มันจะทะลุก็ไม่ทะลุเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันพอเป็กๆตรงเนี้ยค่ะคือมันแน่นมากๆแล้วว่าพ่อหนูหนูกำลังพยายามพยายามที่จะผ่านตรงนี้ให้ได้ค่ะแต่มันไม่ได้มีคือมันมันเหมือนมันจะหลุดออกมาจากหัวตัวมันตึงมันมันจะแตกมันจะอะไรหนูอธิบายไม่ได้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าข้างในมันไม่ได้ทุกนะคะหลวงพ่อมัน มันสู้กันอยู่อะค่ะหลวงพ่อมันพยายามที่จะผ่านตรงนี้ให้ได้นะคะหลวงพ่อจะหลุดไม่หลุดอย่างเนี้นค่ะหลวงพ่อแต่ว่าแต่ว่าสติสมาธิยังคลองได้ยังคลองได้ดีกว่าเดิมมากๆ า, กากเลยค่ะหลวงพ่อหนูกําลังพยายามที่จะไม่ถ้ามองเหมือนมันกิเลสมาหรอว่าระวังเส้นสมองใจกค่ะหนูหนูจะสู oh ้ใหม่ค่ะหลวอนูจะลองใหม่ แต่ก็แต่คือทํำไมได้ห้ามมันได้เปล่าห้ามไม่ได้ค่ะแต่รู้ว่ามันมันมันมันไม่เหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อมันคือแบบคือใส่เรื่อยๆค่ะเหมือนหนูจะพยายามเร่งเร่งอยู่กค่ะหลวงพ่ออืมแล้วใ่ข้างในก็ดีค่ะหลวงพ่อเพียงแต่ว่ากําลังหนูยังยังมันเหมือนมันมันสู้ไปสุดเทดานแล้วมันมันยังไม่ผ่านแบบ ก็ทํทำให้มันผ่านเลยหนูหนูพยายามหนูจะตั้งใจอีกทีนะคอหนูจะพยายามทำให้ให้สามมีกำลังใจมีกำลังสติกำลังใจดีค่ะโอเค<ส> <Okay, fish. S 2> ก็ทำไปสันทิตรโกผู้ปฏิบัติย่ำรู้ด้วยตัวเอง ว่าพัาไม่พับจบไม่จบแ่หนหนูเห็นพายแล้วขอบคุณหลวงพ่อมากมค่ะยาชาอคุณปุ้ยรักสมเบิกเช่นคุณปุ้ยต่อทน้มัการค่ะอาจารย์คุณปุ้ยสบายดีค่ะมีมีแนวว่าอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีจ้า ออคุณปุ้ยได้แก่บาดเจ็บ <laughs> เจ็บตัวแบบเออมันเป็นอะไรที่โยมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพอาจารย์เพราะอยู่ๆโ ย, ยมเป็นมาแบบเกือบจะเดือนกว่าแล้วแต่โยมไม่ยอมไปหาหมอเพราะว่ายอยู่ไม่อยู่โย ม, มเลือดมันก็ออกตรงหัวคิว้วจนเป็นแผลและทีนี้โยมก็ซนไปแกะแล้วโยมมันก็ออกแล้วทีนี้โยมก็เอ๊ะไม่เป็นไรเนาะเออไม่เป็นต้องไปหาหมอ และทีนี้โยมก็มันทำอะไรแล้วมันมีแต่แบบเหมือนกับโยมโยมจะเอามีดอะไปเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้มีดมาแทงมือโยมแต่โยมก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บนะท่านอาจารย์ทำไมเวลาเรานิ่งๆเราไม่รู้สึกอะไรเลยคะนิ่งแบบไหนนิ่งแบบดบก็นิ่งแบบสมาธิถึงหมายถึง เวลาโยมนิ่งแล้วโยมไม่รู้สึกเจ็บมัะก็ดีไลยไม่ไม่รู้สึเจ็บก็ดีก็เป็นโอเบชามนะโยมเจ็บหลังจากนั้นหลังจากนั้นแเหมือนคนที่มันแบบความรู้สึกช้าไปเลยอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้โยมก็ยังนึกถึงนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เฮ้ยเมื่อเป็นเมื่อก่อนโยมต้องโวยวายสิโยมต้องเจ็บส่แต่ว่าเดี๋ยวนี้โยมรู้สึกเออใจมันนิ่งขึ้นเยอะแล้วเรารู้สึกว่าไม่กลัวตายละอฮะ มาถูกต้อง ต, ต้องไม่ต้องไว้โกลัตาไม่กลัวเจ็บใช่ค่ะโยมก็รักษาไม่กลักวความไม่สวยด้วย <c oughs> นะยังกลัวอยู่โ ย, โยมโยมกําลังจะพูดเลยบอกว่าท่านอาจารย์คะโยมเนี่ยดีทุกอย่างเลยนะโยมเป็นผู้มีบุญมากเล ย, ท, ย, ยมมาาท่นออนะทานอาจารย์โยมมาจากชั้นพมอ่ะจริงจริงนะท่านอาจารย์โยมมาจากชั้นพม เพราะว่าบ้านอะบ้านโยมเดบ้านโยมบ้านเดิมโยมมาจากพรมบุรีค่ะโยมก็เลยคิดว่าเจากชั้นพรมแต่โยมโยมเก่งทุกอย่างน ะ, ะเนื้อยอย่างเดียวอ่ะรักษาศีลก็รักษาได้ทุกวันแต่ไอเรื่องสวยงามเนี่ยมันติดอะ่ะมันติดมันจากหลายภพหลายชาติอะ่ะท่านอาจารย์อื ม, อมขอขอขมานะแต่โยมปฏิบัติทุกวันค่ะเโยม แน่แล้วโยกมก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เพราะสมัยก่อนน่ะโยมยอมรับว่าโยมเป็นคนเจ้าชู้เวลาเห็นเนี่ยคนรูปร่างดีอะโยมจะแบบว่าอขอให้รุ่น ม, มองหน่อยเถอะแต่เดี๋ยวนี้พอยมมองแล้วโยมจะสแกนเลยแบบว่าให้มันเป็นโครงกระดูกไปได้โยมก็ผ่านอปอืมอเคโสแกนตัวเราว้างเลยอย่มจะสแกนแต่คนเดีนะใช่ค่ะ โยม น, นั่งฟังพระอาจารย์แต่โ ย, ยมไม่ได้นั่งอย่างเดียวโยมนอนฟังพระอาจารย์ด้วยเพราะโยมเอาใส่หูแล้วแบบเโยมรู้สึกแบบว่าบางครั้งเวลานั่งสมาธิเสร็จโยมมองไปที่ตัวเองอะ่ะเหมือนกับเพราะโยมเคยเรียนศาสตร์หลวงปู่สดมาโยมก็หมุนคอตัวเองให้มาดูข้างในมันเหมือนเป็นโพรงไม่มีอะไรเลยแล้วโยมก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดเราจิตเราออกมาเนี่ยมันก็ต้อมีอะไรนี่หว่าแล้วยมก็พยายามจะนึกภาพคําที่พระอาจารย์พูดว่าระหว่างกายกับจิตสองสิ่งนี้ให้มันแยกออกมาให้ได้แล้วก็ให้มันรวมรว ม, รวมลงแล้วก็โยมก็พระอาจารย์บอกว่าให้พุโทโธยมก็เอาพุโทโธมาไว้ที่ใจของโยมโยมก็เวลา ย, ยมเดินออกไปข้างนอกยมก็จะพุโทโธพุโทโธจนจนจนคำอ่ะว่าพุทและโธมันโผล่เข้ามาตรงหน้าโยมอ่ะ เมื่อก่อนโยมเพราะว่าโยมเป็นคนที่โซนเหมือนลิงพระท่านอาจารย์คือเผลอไม่ได้เดี๋ยวเผลอแล้วเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันคิดอย่งุู้นคิดอย่างนี้คิดเรื่อยโยมก็เลยต้องทําตามอ ย, าอย่างที่ท่านอาจารย์พูดว่าให้พุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาบางทีถ้าโยมไม่พุดโธโยมก็จะใช้แบบว่าเอ อ, เ อ, อ พ, รพระขา่าจินนบัญชร น, นะคะและใช้บทสั้น เพราะว่าโยมเป็นคนที่ท่องมาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะใช่ใช้การสวดมนต์แพนก็ได้ใช่เพราะว่าถ้าถ้าโยมไม่ทาอย่างเนี้ยโยมจะเป็นคนที่จะมันจะเหมือนกับว่าวนกับจับมาหลอกเดิมคือว่าจิตโยมอ่ะชอบชอบสวนเหมือนลิงมันชอบมันทั้งนี้มันอะไรจะคิดนะท่านอาจารย์เดี๋ยวมันจะเผย อ, อีนแล้วเผยออกันแล้วโยมก็เลยแบบเออต้องระมัดระวังค่ะนะคะ โยมก็ไม่มีอะไรพลังค่ะเดี๋ยจะทําต่อไปนะทําต่อไปเมวานโยมตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะเดินตามพระอาจารย์ค่ะถ้าขอให้โยมอ่ะอขอให้โยมอย่าที่เกียดนะท่านอาจารย์โยมรู้ว่าความเพียรของโยมยังไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นของพระอาจารย์เลยอืมขอให้โยมอย่าที่เกียดลุกออกจากความที่เกียดหน่อยดีเพราะ คือโยมอะตื่นตีสองครึ่งและและทีนี้แบบมันมีตัวขี้เกียจมันมีอยู่เยอะมากเลยท่านอาจารย์แบบโยมนั่งสมาธิแล้วมันเหมือนกับตัวอะไรอ่ะมันมามันมันมาปั่นหัวโยมอะให้แบบพอนั่งสมาธิเสร็จสักชั่วโมงนึงโยมเผลอหลับไปแล้วแต่โยมเป็นคนไม่ชอบเดินน่ะท่านอาจารย์ไม่ว่ากันเดินก็ได้ไม่เดินก็ได้โอเคเนะ้ อันถามคนนั้นอ่ะเรื่องกลัวผี่ยมยังไม่หายออกไปจากชีวิตเลยอ่ะอค่ะยมไ ม, ไม่มีอะไรรมจะมาถวายบุญกับพระอาจารย์แล้วขอให้พระอาจารย์ธาตุขันถึงแรงเจ้าค่ะอ่าสาธุจ้าพระคุณปุวยสุขเจริญมากยิ่งขึ้นไปนะให้เราไม่รวยขึ้นไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอบคุณบาลิกาต่อบาลิกา การน้ำมันตะการเจ้าขา่าวพระอาจารย์ก็ที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์พอเราได้สติขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญาแล้วก็ปาเรียนรู้จา ก, กาเอาสิ่งที่เราไม่พอใจมาเป็นสิ่งที่พอใจแล้วมองมันให้ลึกซึ้งเข้าไปว่ามันก็แค่นั้นเองแล้วก็มันมีความสุขขึ้นมาได้ โดยอัตโนมัตินะคะอาจารย์เพราอว่าเออนะมันมันมันหลอกเราอยู่ตั้งนานทาไมเราแค่ใช้นิดเดียวมันก็มันก็ตีถึงระดับนี้ที่เราบอกี่คิดว่าเออมันยากมันยากมันไม่ได้ยากถ้าเราตั้งใจที่จะทาเจ้าค่ะอาจารย์เนะีย ลูกไม่มีคำถามนะคระับอาจารย์โอเคสาธุาธุเป็นการชินกลับไปใต้วันนะ่หกลับนมัสการครับอาจารย์มาใต้วันนะครับยังไงก็มาก็มีฝนก็หนาวครับบ้านเราร้อนแต่นี่หนาว ก็แบบยังปฏิบัติอยู่ครับร้อนของเราเลยเร้อนกว่าอันนั้นนะครับอาจารย์แล้วแบบห น, หน้าหน้าหนาวของเราเนี่หนาวกว่าครับอยู่นี่กําลังพอดีครับมันแต่ว่าปีนี้มันหนาวนานครับอาจารย์นนครับบ้านซาไมเกี่ยวขซ า, อนนออาตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับยี่สิบกว่าครับอืม แต่ถ้าแต่เป็นตอนเช้ามันจะหนาวครับตอนนี้ยี่สิบสองครับแต่ถ้าเป็นตอนเช้าก็จะครับครับตอนเช้าก็จะประมาณ1ิดหกสิบจีไปอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเย็นเย็นเป็นนหนาวครับอาจารย์โอเคมีอะไรไหมมีครับเข้ามากราบอาจารย์ครับโอเคสาธุขับคุณครับอาจารย์พนแนมีอะไรไหมพนน น้ำกาลามักาค่ะลูกไม่มีคําถามจะคะโอเคงัน้นไอ้ที่คุณยินดีต่อยินดีมีอะไรไหมไม่มีค่ะท่านอาจารย์เข้ามากราบค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดฝากฟามระลึกถึงท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็บอนช่องเต้ยเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะโอเคคุณก๊อฟกาเฟ่สุราธานี้ กลับรับราชการครับอ ม, มารับฟังครับแล้วก็มารายงานผลเรื่องการรักษาศีลแปดครับเอครั้งที่แล้วก็รักษาศีลแปดรักษาไม่ครบครับพอดีแอบใช้แบบเผลอใช้เครื่องหอมครับก็ก็อาทิตย์นี้วันพา้าก็ก็เอาบทเรียนมาก็เดี๋ยววันนี้ข้างหน้าไอ้พรุ่งนี้ก็จะรักษา เป็นที่เราให้มันบริบูรณ์ครับก็ไม่ก็ก็เหมือนครั้งที่แล้วแบบว่าเราไม่ได้รักษานะแล้วเราก็เผลอเผลอไปอะไรเงี้ยครับตั้งใจ<ม>แล้วก็รอบนี้ก็ถือว่าเอาใหม่ครับก็<ม>น่าจะรักษาทุกวัน ท, ทุกวันทาครับตา ม, มที่อาจารย์แนะนําครับเออเ ร, ริ่มวันทานก่อนถ้าดีกค่อยเพิ่มเพิ่มวันต่อไป อ, อ ก, ก็รู้สึกผลดีครับรู้สึกอยากทําครับพอาจารย์อ <inate> พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวยเพื่อนก็ฝากก็ไปใส่บาตรพระอาจารย์กันครับเขฝากไป okay. นะค่ัคุณนิสาเออน้อมกล่นำนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็ลูกก็ไม่ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติค่ะแล้วก็ยังอยู่กับ พยายามอยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันค่ะพระอาจารย์แล้วก็พยายามนึกถึงใจรักตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์โอเถูกต้องค่ะสติปัญญาทุกอย่ญญางนี้ค่ะเลยรู้สึกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์ไม่วอกแวกไม่ฟุ้งสั้นเหมือนที่ผ่านๆมาค่ะพระอาจารย์มีสติทุกอย่างมันก็มันก็ดีอค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทําให้เวลานั่งสมาธิแล้วแบบ เข้าสมาธิได้ได้ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ค่ะพระอาจารย์ก็จะพยายามค่ะพยายามสู้กับทุกเวทนาต่อไปค่ะพระอาจารย์สู้กับสังขารที่ตัวเองชอบฟุ้งสร้างด้วยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอนึงสิ่งใจรักมันมันก็ช่วยได้มากๆเลยค่ะพระอาจารย์อืค่ะโอเคค่ะค่ะขอให้พระอาจารย์ทาตขันแข็งแรงนะคะค่ะคือ จารย์สายที่อันนี้อยู่พันแก่นใช่ไหมอยู่คันแกนก็ค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่อยู่ที่มหาสารครามเมื่อไหรไปกับทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์เพรา ะ, ะว่าเปิดร้านที่บ้านค่ะอืมในต้ะบนกลางที่บ้านใช่ค่ะมาอยู่ร้านยาตอนเย็นค่ะห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มค่ะพระอาจารย์แล้วก็ปิดร้านค่ะ เพื่ออนาคตค่ะพระอาจารย์เผื่อเราจะจะได้ย้ายมาอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็รายงานการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าถ้าดูย t ทู e ให้ปรับเงินหมดไปหลายบาทพอหมดไปหลายบาทก็แล้วก็คิดว่าออสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือตอนแรกเหมือนสู้กับมันใจมันก็ก็จะอยากดูค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพยายาม อ่ไปอ่านพระอาจารย์บอกให้ไปไปอ่านอ่านธรรมะไม่ให้ดู youtube ก็พยายามไปไปอ่านได้อ่านหนังสือเรื่องพุทธธรรมก็ได้ได้ปัญญามาอย่างมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็คือจบที่ไตรักจริงๆแล้วก็จบในในของหนูนะคะจบที่คําว่าอนัตตาหรือว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวตนเป็นสิ่งสมมุติเราก็สมมุติเขาก็สมมุติอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ทุกอย่างก็เป็นเหมือนแบบปัจจัยที่มาประกอบกันมีเหตุมีปัจจัยหนูก็เลยความรู้สึกที่จะไม่ดีกับอะไรหรือยังไงมันมันไม่มีแล้กค่ะพระอาจารย์มันเหมือนต่างคนต่างก็เป็นเหตุและปัจจัยของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสบายขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เข้าใจแล้วก็หนูเคยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วว่าเราก็คือ อนัตตาแล้ ว, แ ล, วแล้วยังไงต่อหนูก็ตอนแรกหนูก็สงสัยแล้วยังไงต่อรู้แล้วพอไหมอะไรเงี้ยก็ยังงงๆแต่พอไปอ่านเจอว่าก็เหลือเรื่องความไม่ประมาทค่ะพระอาจารย์แล้วก็อ๋อเราประมาทเรานึกว่าเรา ก, ก็ก็รู้นะว่ามันอนัตตาแต่ทําไมมันยังไปไหนแบบยังไม่ก้าวหน้าก็ที่แท้เราก็คือประมาทไม่ไม่รักษาความความรู้ของเราอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็มีกิเลสเข้ามาแทรกแทรกได้ตลอดถ้าเรา ถ้าเราประมาทตอนนี้หนูก็เลยเข้าใจก็เลยพยายามที่จะปฏิบัติแล้วไม่ประมาทเจ้าค่ะ<ม>ก็ก็รู้สึกว่าจิตก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์เนี้ยค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กก็ก็ปิดไม่ใช่ปิดไม่ค่อยเข้าไปดูเลยค่ะพระอาจารย์ตัดการรับรู้<ม>เรื่องคนอื่นเพราะว่ารู้ก็ทุกไม่รู้ดีกว่าแล้วมันก็เลยสบายค่ะพระอาจารย์อ่าเนี่ยคอยทําไปได้ในเรื่องนะอย่ากลับไ ป, ะไปนะ อจะไครับอาจารย์คะอีกอันหนึ่งที่หนูสงสัยแต่แต่ว่า y o u ูทูบเนี่ยไอ้ที่หนูดูหนูดูเรื่องเขาปลูกผักอะไรเงี้ยพอได้ไหมคะก็ไม่ควรอะเราไม่ต้องการไปทำเงืนเกษตรเราต้องการธรรมะอย่างเดียวเรียนวิชาธรรมะอย่างเดียวหนูไม่ว่าหนูจะไปอยู่บ้านสวนคนเดียวแล้วหนูก็จะปลูกทุกอย่างเลยเอาไว้กินอย่างเงี้ยถามอาจารย์ มันแค่กิเลสมันแค่ช่อไม่ช่องให้เราออกไปอยู่ด้วยนะก็ยังหาช่องแหวกอยู่ดีใช่ไหมคะตอนนี้ไปหาผักแผลนกําลังแผลนที่จะปลูกบ้านเพื่อไปอยู่คนเดียวแล้วค่ะพระอาจารย์คุยกับคุณพ่อแล้วค่ะคุณพ่อยอมแล้วเลยตอนแรกคุณพ่อตอนแรกคุณพ่อบอกว่าจะยกกระท่อมน้อยของคุณพ่อให้แล้วก็ไปไปมามาคุณพ่อก็เลยเป็นห่วงก็เลยเอองั้นก็ไปสร้างอีกอันหนึ่งไปเลยยอมแล้วค่ะตอนแรก ตลนแกคุณพ่อบอกว่าให้คิดนานๆเริ่มยื้ออีกแล้วค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าโอ้ยหนูคิดนานแล้วพ่อยื้ออีกแล้วไม่เอาแล้วถ้าพ่อไม่ไปติดต่อช่างหนูจะไปติดต่อเองคุณพ่อก็เลยโอเคเยอมแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ออกมีแบบเล็กๆเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอรอเงินก็ อ, อาอจารย์ยัไม่อยู่เพิ่งเพิ่งปลูกมาหลังยังไม่ใช่เเป็นเป็นบ้านบ้านไม้ไผ่อยู่ติดอยู่ที่นี่แล้วมัน มันติดบ้านคนค่ะพระอาจารย์แต่มั น, มมนก็ไม่ส ง, งบไม่ส ง, งบมันก็คือติดบ้านตัวเองคนเดินไปเดินมากลายเป็นที่นั่งเล่นคนก็เป็นที่ทสวนเป็นที่นั่งเล่นพี่ๆก็ไปนั่งเล่นมันก็เลยไม่ส ง, งบค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าไปอยู่บ้านสวนเผื่อตอนถึงตอนแก่ไปเลยเนี้ยค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมไปด้วยเลยค่ะใช้ชีวิตคนเดียวที่บ้านหลังนั้นค่ะพระอาจารย์ เนี่ยแต่ก็คงเข้าเข้ามาบ้านมาทําหน้าที่แล้วก็ออกไปปฏิบัติธรรมที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่อยๆปีกวิเวกไปเรื่อยๆเดี๋ยวที่บ้านคงศ์ชูประมาณ น, นี้ค่ะเวลามันน้อ ย, นนอยลงไปเรื่อยๆนะอย่าไปค่อยๆมากเกินไปใช่ค่ะบอกคุณเพราะว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แล้วยื้อไปอีกมันก็ยิ่งจะช้าค่ะคุณพ่อก็เลยโอเคอเยอมแล้ว คุกับช่างเกินๆคุยกับช่างแล้วด้วยค่ะพระอาจารย์โอเคประมาณนี้ค่ะพ ร, ระอาจารย์ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะขอให้สําเร็จผลตามที่ทําการนะสาธุค่ ะ, ะคุณปงางอะไรเจร้ากลับนมันสการเุร้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ ะ, ะคุณเอิร์นะี่อไคุณเอิรเป็นยังไง นั่นเป็นเรียนไกายหรืยังเรีย น, น ก, การนามศการค่ะพระอาจารย์เริ่มเรียนคุตสภาค่ะไกายทางไหเ อ, อ่เ อ, อเรียนกับคณะบรุรงคดีค่ะเอองอยากเป็นไกายในสังเวชนียสถานค่ะพะมา่าศรีลังกาดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์หมายถึงจะพาคนไทยออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่นะ ค่าแล้วก็อยากทําเอ่ออยู่คงอยู่ในบริษัททัวร์ที่เขาจะพาคนไทยไปสังเวค่ะใช่แล้วก็เอิงก็เดินจงกรมแล้วก็เพิ่มการนั่งสมาธิแล้วค่ะผู้จารย์ก็รู้สึกได้อนดีไหมก็ <laughs> ดีมากเพราะว่ามันเหนื่อยค่ะมันคิดอย่างชินไม่ออกค่ะหลังพอเดินเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อยู่กับ ลมหายใจได้ค่ะแต่ก็มีแบบว่าเหนื่อยค่ะเห น, น, นื่อยเพราะอะไรเหนื่อยใจเหนื่อยกายเดินเร็วเ่ะเดินเป็นชั่วโมงค่ะพระอาจารย์แล้วพอเอิงหยุดเดินเอิงนั่งเลยค่ะก็มะไม่เป็นไรนั่งเราไม่ต้องทำอะไรก็นั่งก็ดูลมไปปล่อย ใ, ใจสงบันแล้วกันนะค่ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ป่ึกษาพระอาจารย์ค่ะมายังปฏิบัติต่อไปเพื่อที่คนไม่ลายพรเป็นโยมหญิงกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเข้ามากลับพระอาจารย์ฟังธรรมแล้วก็รับพลังจากพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะวันนั้นโยมไปทําบุญเอของของของพระอาจารย์บัญชัยอ่ะค่ะแล้วไปเอพระอาจารย์เขา ทำที่วัดโพแล้วก็เป็นการสวดมนต์ที่ที่อุโบสถนะค่ะพระอาจารย์ยมก็สวดมนต์อยู่ะพระอาจารย์แล้วแบบดูดีมันก็แบบมันมีความสุขมากค่ะพระอาจารย์เหมือนกับมันเหมือนกับมือที่เราพนมขึ้นมาเนี่ยพระอาจารย์มันเบาแล้วแล้วจิตมันก็ไปอยู่กับเสียงสวดมนต์ซึ่งมันเพาะมากพระอาจารย์แล้วมันก็มันก็มันก็เบาไปหมดเลยพระอาจารย์มันก็มันมันมีความสุขมากก็นิ่งมันเบามันสุขอยู่ไงนะคะพระอาจารย์จน ตอนเสียงสวดมนต์จบลงแล้วอะโยมยังเอามือมาพนมอยู่อย่างเงี้ยแล้วโยมก็พยายามแบบพยายามจะจะออกมาพระชันจบถ้าเกิดคือคือหลวงพ่อท่านสวดชุดใหญ่มากแล้วก็ถ้าเรายังพนมอยู่เนี้ยพระรันมันก็จะตลบอะค่ะคนอื่นเขาเอามือลงหวนแล้วโยมก็พยายามแบบพยายามแบบฝืนตัวเองขึ้นมาพระชันแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็ลงมาแต่มันยังมีความแบบรู้สึกมันสุขแล้วก็ น้ำตามันไหลมาเองอะพระอาจารย์มันมันเบามันในความสุขมากเลยค่ะโอ้ดีแสดงว่าจิตสงบแล้ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์มันเกี่ยวกับโบสด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามันไม่เกี่ยวเก่ยวกับสติของเราหรอคะอ่โอ้สติเราดีเราตั้งใจฟังใช่ค่ะพระอาจารย์มือจากที่เราพนมเรามันเราเราเราไม่ไม่รู้สึกถึงมือที่พนมอะมันมันมันมันมัน มันเบาไปหมดเลยพระอาจารย์ดีมากทา้งลากค่ะพระอาจารย์ที่ว่าฟัฟงเสียงสวดมนต์แล้วเข้าได้ถึงขนาดเนี้ยค่ะพระอาจารย์คือมันเป็นไปได้ใช่ไหมเจ้าคะอ่ามันเป็นมาแล้วไม่ใช่ไหนใช่คืองงอ่ะค่ะพระาพระาบอก ป, ปกติเราต้องนั่งแบบสมาธิดูลมใช่ไหยพระอาจารแต่วันนี้ไม่เลยะค่ะการฟังธรรมการฟังเทศน์การเหมืนฟังเหมือนกันอจิตสงหบผ่องายได้เหมือนกัน ใช่พระอาจารย์สบายมากแล้วแล้วน้ำตาลก็ไหล ย, ยงก็อายเขายงก็พยายามแบบพยายา ม, ยายามแบบโอเคเฉ ย, ยๆอ ย, ย่างนี้ค่ะหมดแบบรีมากเลยพระาอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระาาอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะค่ะ<ฆ>อ่าอ่าอ่าใครต่อคุณหมอทัศนีนี้จะทัศนนี้นามสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลู้เม็นใจสาวเจ้เาจ ข, ข, ข่าสบายเจ้า ข, ข่ามโอเคดีรกักษาความสบายใจไว้นะเจ้าข่ามท่านอาจารย์ของพระคุณเจ้าค่ะอ่าคุณอภิเนศเนในกรุงเทพการนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เป็นยังไงหายหน้าหายตาไปไหมครับหายหายน้าหายตาไปอยู่แต่ว่าก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันครับอาจารย์ไม่ได้ขาดเลยเอ่ดี ทำอยู่ทุกวันก็ดีขึ้นอยู่ครับก็อยากอยากถามพระอาจารย์ว่าเออไปอ่านในเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ที่ว่าอะไรนะเราเออเรานอนไปก็ฝันแต่ถ้าตายไปแล้วจะฝันยาวๆนี่มันหมายเขาว่ายังไงครับพอาจารย์ก็ับกโลกที่โลกในจังหวัดในน้นโลกนี้ก็เป็นความฝันเอนกับตอนที่เราฝันตอนที้เรา ตอนที่เรานอนหลับนี่เราก็เราก็ปล่อยวางร่างกายมันก็ตายไปชั่วข่าวตอนนี้เราตายไปชั่วข่าวจิตมันก็ใช้บุญหรือบาปที่ทำมาเป็นตัวสร้างเรื่องราวให้เราได้สัมผัสไดงรู้เป็นรูปแบบของความฝันเวลาร่างกายตายไปก็แบบเดียวกันอยู่อยู่ในรูปรูปแบบของความฝันเราเนรมิตเนรมิต ด, ด้วยบุญหรือบาปที่เราทำถ้าบาปในรมิตมันก็เป็นพวก อบายไปเป็นเปรตไนน่ะสุลกายเป็นนร ก, ก, กไปถ้าบุญเป็นผู้ในเมิดก็จะเป็นเทพอ่าเอาแล้วเอ่อเราไม่ฝันได้แล้วได้ไหมเราพระอาจารย์ไม่ได้หรอกมันอยู่ที่อำนาจของบุญหรือบาป ท, ที่เราทำไว้ถ้าจะไม่ฝันก็ต้องต้องเข้าฌานให้ได้อันนั้นก็จะไปอยู่พรหมโลกพวกที่ได้พวกที่ได้ใจตั้งมัน่นีนเวลาเขาฝันเขา จิตเขามีกำลังเขาก็สั่งหยุดได้ไม่ใช่เลยครับอาจารย์เขาจะไม่ฝันเนีส่วนใหญ่จะไม่ฝันพวกที่เขา้เขาฌานได้ไม่ฝันพ<อ>พราะที่ทํมมทาบุญทำทานนี่เขายังฝันอยู่เขายังทําบาปก็ยังฝันอยู่ทําบาปเขาฝันไปถ้าฝันไปปุ๊บเนี่ยสติมันจะตื่นปุ๊บขึ้นมาแล้วมันก็จะสั่งให้หยุดนะคะระับอาจารย์พวกที่มีสติกําลังสติเขามีดีครับวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ มันไม่ฝันมันมันถ้ามันมีสตินี้มันก็ไม่มันมันถ้ามันมีสติดีมันก็ไม่ฝันอยู่แล้วมันมันต้องไปนั้นแล้วปล่อยให้มันไม่ดีก่อนปล่อยให้มันฝัน่อแล้วค่อยมีสติมันก็ไม่ฝันแน่เลยความฝันถ้าให้ผมถ้าผมเปรียบผมก็เปรียบเหมือนการเปิดเปิดทีวีถ้าเปิดทีวีขึ้นมาปุ๊บมันก็มีละครแสดงแสดงขึ้นมาแต่คนที่มีสติเขาจะรู้ว่านั่นเป็น เป็นเรื่องของการแสดงไม่มีความเป็นจริงเขาก็สั่งให้ปิดทีวีไม่จริงอ่ะถ้าไม่ีสติเขาก็ไม่มีไม่มีการแสดงอยู่แล้วเขาคุมไว้ก่อนแล้วไม่ใช่แล้วตอนที่มันเปราะพอขึ้นมาสติหายไปไหนอะไรงอยอาจจะส้ยอาจจะสติยังไม่ยังไม่ยังไม่ครับคุณปรุงแต่งไปเเป็นนิยายของคุณไปอืถ้ามีสติมันก็ไม่มันก็ไม่ฝันแล้ว ถ้ามถ้ามัน ม, มีสมาธิมันก็ไม่ฝันแล้วเพราะมนุษย์โลกไม่มีเรื่องมีลาวเป็นเรื่องของความว่างใช่ไหมเป็นเรื่องของความว่างนะครับอาจารย์ได้แต่ถ้าเทวโลกนี้มันยังเรื่องของการไปเที่ยวยังเสพ ร, ร, รูปรูปทิพย์เสียงทิพย์กินทิพย์อยู่ใช่อ๋อแสดงว่าแสดงว่าเราเ อ, อไปตามตามความฝันนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เราหยุดเราหยุดความฝันนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ ก็เป็นสิ่งที่เราไปสะสมมาเราทำบุญแล้วก็ไปสะสมเรื่องดีๆมาพอพอตายไปมันก็เอาเรื่องดีๆนี่มาฝันให้เราดู mm hmm. ถ้าเราไปทำบาศมันก็เอาไปสะสมเรื่องที่ไม่ดีมาเพราะว่าเราตายไปมันก็เอาเรื่องที่ไม่ดีมามาฉายให้เราดูอ mm hmm. แต่ถ้าเรานั่ง <Yeah. S 1> สมาธิเข้าฌานมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมันก็เข้าไปมันก็ มันก็ไม่มีเรื่องเวลามันก็ว่างนะมันอยู่ในฌานอยู่ในสมาธิครับถ้าคนไม่ได้ไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธินี้ก็ต้องก็ต้องไปกับความฝันไหลไปกับความฝันหลงไปกับความฝันตัวนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ไอ้ตาเราง้าของความฝันบุญหรือบาปถ้าบาปไม่มากไม่มากกับบุญมันก็ฝันได้ถ้าบุญไม่มากกว่าบาปมันก็ฝันดีอืมครับ ว่ามันหมดกำลังออกมาเกิดใหม่อืมครับครับครับอาจารย์ครับเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับมีแต่นิพพานนที่ไม่กลับมาเกิดใหม่อืมครับครับอาจารย์ครับโอเคถ้าเจอครับกบขอบคุณอาจารย์ครับมีคําถามแค่นี้ครับโอเคไปต่อเออจอยงานลูกชายยังไม่นับอย่เงี้ยให้ เดี๋ยวพรนี้เช้าไทายบาสงองเงานะเขาร้องไห้อยู่มีควา ม, มตื้นตูดเลยตัวอย่างได้อะไรบ้าเปล่าเขาบอกว่าเขาโดนดุโดนครูดุอะไรอย่างก็อยากแม่เขาดูาเขาบอากเขามีแต่ความทุกความอากาศตกาต่งมาเร็วจยากก่อนเร็วจะได้ได้มีความสุขใจอย่างต่างเขาบอกอยากให้ครูเขาดุเสียจจะได้มีความสุข พขอกว่าเขาไม่ ไ, ม, ไ ม, ม่ประโยคน์กับใครเลยอเงี้ยบอให้ไปทำบัตร <Okay. S 2> เดี๋ยวพวกน้เนบรใชอันนี้ยขายของอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้เราเปี่ยนทําเรื่องเอ่อบัตรต่างดาลวลหรค่ะเ <Yeah. S 2> แบบ mm hmm. เพราะว่าที่อยู่ตอนแรกขายดูเช่นตอนนี้คือทําทําเกี่ยวกับบัตรเรื่องพอดีมันมีเปิดช่วงทำก็เลยได้ทำค่ะไ่ทำกับบริษัทอะไรนะเขา้าไปทำกับบริษัท ที่บ้านแล้วก็หนูก็เป็นตัวแทนแบบเพราะว่าหนูอยู่กับคนงานอยู่แล้วกับคนที่แบบพมา่ากับกัมพูชาค่ะโอเคเงนค่ะอ่ะาถ้งถออ่าคุณซันนี่แบงค์กับ ก, การนมัสการพระอาจารย์ค่ะอืมอวันนี้หนูอ่า ตอนนี้ที่ผ่านมาก็ยังถือศีลแปดแล้วก็เจริญสติระหว่างวันแต่ก็รุ่มรุ ม, รมดอนดอนดีบ้างไม่ดีบ้างนะค่ะพระอาจารย์แ ต, แต่ก็พยายามทําทุกวันกําลังเริ่มหมด ล, ล, ลงไปไมอย่างหดอยู่บ้างแบบว่า <laughs> อาจารย์แต่ก็พอคือแบบว่าเหมือนแบบทําแล้วเหมือนวันที่ไม่ดีเราก็เหมือนทอ้อค่ะแล้วแต่ก็อาศัย อ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์นะคะอ่านหนังสือจุลธรรมนำใจก็ได้ได้ได้ไดแรงแรงแรงกลับมาอยู่ค่ะแล้วก็ได้ได้ได้ปัญญาจากหนังสือพระอาจารย์เยอะมากเลยค่ะก็ใช้ใช้ธรรมะของพระอาจารย์เป็นที่พึ่งเลยค่ะก็ดีก็จะตูต่อไปค่ะใช่การปฏิบัติต้องมีมีธรรมะเป็นคน คอยชี้ทางคอยแนะแนวคอยให้กำลังใจนะะดีกแล<อ>้วก็ฟังฟังธรรมของพระอาจารย์เลยค่ะก็ลำพังตัวเราเองมันยังไม่มีธร ร, รมะในตัวเราเราก็เล่าอาศัยธรรมะของคนอื่นไว้ก่อนต่อไปธรรมะเหานี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในใจเราต่อไปเราก็อาศัยธรรมะของเราเองก็ได้ต่อไปค่อขอให้ปฏิบัติกันแล้วกันนะ สุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพยียรนะความพยาย<ห>ามในการทำดีนะ้ะอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้ <หา S 1> <อ>ไม่<อ>ไม่ยอมแพ้นำตนนั้นต้องกัดฟันสู้ต่อไปเหมือนน้องพระเจ้านึกถึงพระเจ้าตอนนี้นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพน ะ, ะบางวันเหมือนเรา อาจจะมีความอยากมากไปแล้วค่ะแบบตั้งใจว่าแบบอยากทําให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเกิดความเครียดขึ้นมาบ้างค่ะออก็เลยไปติดมันพยายามที้อย่าไปอยากมันทําให้ดีที่สุดแต่มันจะได้ผลหรืไม่ได้ผลก็เรื่องของมัน่อาพระอาจารย์มีคําถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์เวลาที่เหมือนจิตมันใกล้จะเหมือนมันจะวูบมันจะรวมาค่ะเราเราควร คนทำต่อไปพุทโธถ้าพุทโธก็พุทโธต่อไปถ้านดูหลวมก็ดูลมต่อไปอย่าไปสนใจไว้กับการที่มันจะวูบมันจะไม่วูบถ้าไปเข้ามันจะไม่ว <right> ูบนะเราใช่ละใช้นมเราใช้พุทโธละเราไม่ได้ใช้เลยหนูดูหนเออบ้างหนูบางทก็พุทโธค่ะแต่ว่าพอสมมติว่ามันจะรวมแล้วหน มันรวมนิ่งไปแล้วหนูเหมือนพุทโธหายหนูก็แบบนึกถึงพุทโธแล้วมันก็รวมค่ะมันก็แบบเหมือนมันจะมันจะพุ่ลงไปแล้วก็เลื่ขึ้นมาถ้ามันนแ่งแล้วมันก็ต้องไม่ต้องพุทโธแล้วไงก็คือไม่ต้องเลิกพุทโธแต่ว่าเอให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าตอนนี้จิตนแนงสงบสบาย ม่ต้องไปควานหาพุโทโธมันต้องเป็นนึงพุโทโธกลับมาถ้ามันนิ้งแล้วก็ไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้พุโทโธพุโทโธเหมือนขั้นบันไดที่พาเราขึ้นไปสู่ชั้นสองพอเราขึ้นขึ้นถึงชั้นสองแล้วเราก็บันใดไปเข้าใจัหมหายไปแล้วเหรออันนี้น่าจะหายไปนะอ่าไปที่คุณ กูเปต่อกูเป้เชนกลางงนราชการเจ้าขาพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคาอ๋อชัดเจนเลยเจ้าขาพระอาจารย์ของหนูก็ลุยปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อก็ก็ใช้ร่างกายที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์เลยค่ะพระอาจารย์อเจ้าคาเป็นเห็นเป็นเห็นนับปัญญานะเจ้าขาพระอาจารย์ปิจนาอนิจังทุกขังนันตตาอสุภะอาการที่สอง พระอาจารย์ขาทำให้หนูปฏิบัติแล้วทำให้ตื่นเช้ามากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์นอนน้อยด้วยค่ะถ้าเป็นัางปฏิบัตินอนเกิน่อสีห้าชั่วโมงก็พอเจ้าค่ะตีสามตีสี่เลยค่ะพระอาจารย์กับทุกคนดีโอเคทาต่อไปนะภาษาทุกอ่้คุณเซเรนทอนจนในเวลาทำงานที่บ้านเหมือนเดิมละ ค่ะวันนี้หนูเข้ามาเติมพลังใจค่ะพระอาจารย์หนูไม่มีคําถามอะไรคะ่ะอแปลมาอย่างได้แปล่าอะไรอะไรนะคะพระอาจารย์ฟังมานานัล้วเลยฟังมาตั้งแต่แรกแล้วคะ่ะแต่ว่าหนูปิดห<ต>น้าจ อ, อ เ, เพราะว่าตอนคือตอนนี้เขาปรับเวลาแล้วว่ะค่ะแล้วหนูก็ยังเหมือนไม่ตื่นซะเลย <laughs> ใช้ค่ะพระอาจารยอีกหน่อยพระอาจารย์เรียกสลิทนทรสลืมสลือ <laughs> หนูยังไม่ค่อยอยากตื่นหนูเลยปิดหน้าจอไว้ก่อนนะคะอันนี้จิ๊บทำไม่เข้ามาเขาฝากอ๋อจิ๊บเขา text มาบอกอะค่ะว่าวันนี้เขาต้องพาลูกเขาไปที่โรงเรียนนะคะอ๋อต่เลยอาจจะเข้าไม่ได้แล้วก็ฝากกราบพระอาจารย์ด้วยนะคะอ่าก็ขอให้พระอาจารย์ทาดแข่งแข่งแหละแข่งแรงนะคะโอเคขอบพระคุณพระอาจารย์ไปที่คุญแจบอดแลนด์บอดแลนด วันเช้านี้มีคนก็ใส่เสื้อพรอสลนเลเซอร์อันนี้เป็นของพรเลนที่ที่ออรกอนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันมีพรเลนเมนด้วยอันนี้ใช่ไ้ยใช่อันนี้ถ้าเป็นเบเซอร์น่าจะเป็นของออรกอนค่ะอนนอรกอ น, นเอออาจาวันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วหนูเรียนพระอาจารย์เรื่องที่ว่าอีกสิบปีจะบวชใช่ไหมคะ่ะแล้วก็ อันนั้นหนูก็อาทิตย์นี้หนูก็ไปเปิดในยูทูบหาชีวิตแม่ชีชีวิตทิกซูนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบเตรียมเตรียมดูก่อนว่าหนทางชีวิตเป็นยังไงแล้วก็โอโพระเจ้าใจพอทันทีที่ดูปั๊บใจหนูร้องโอยเลยค่ะอช่แบบอยูได้ยังไงตื่นเช้ามาสวดมนทานอาหารแล้วก็แล้วก็ต่างคนต่างก็หายไปทาปฏิบัต ทานแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะและดูมันมันไม่มีมันช่างแบบไม่เหมือนกันเลยกับชีวิตทางโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหนูก็บอกใจตัวเองว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราโอยเรามีเวลาสิบปีถ้าเกิดว่าอยู่ถึงนะค ะ, ะก็ค่อย ๆ, ๆ, ๆค่อยๆเตรียมก็วิธีเตรียมของหนูก็คือหนูก็เริ่มคือสัจจะที่ให้กับตัวเองไว้ว่าทุกๆวันจะนั่งสมาธาิให้ได้ให้ได้ทุกวันแต่ว่ายัง ยังคงเหมือนบังคับตัวเองแบบน้องๆเขาไม่ได้ที่อย่างน้อยสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหนูเพิ่มมาปกติจะนั่งทุกคืนก่อนนอนอันนี้เพิ่มมาคือตอนเช้าแล้วก็หนูสังเกตว่าตอนเช้านั่งได้นานมากเลยค่ะตอนเช้านั่งหนูยังขี้โกงอยู่หนูยังใช้จับตั้งนาฬิกาปลุกอะนะคะเพราะว่า หนูมีควารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสัญญาณช่วยชีวิตว่าแบบถ้าเราทรมานเราอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวนาฬิกาจะดังแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยยังพึ่งพึ่งนาฬิกาไปก่อนก็ปกติจะนั่งจะตั้งสามสิบนาทีก็พอทำได้แล้วก็วันก่อนลองตั้งสี่สิบห้านาทีดูโอ้โหทรมาน์มากเลยค่ะแต่ก็ถึงนะคะ<ม>ก็แบบขาปวดปกติหนูหนูจะปวดขาเริ่มตอนประมาณช่วงใกล้ๆสามสิบนาทีนี้นะคะมันจะเริ่มปวดละ ทีนี้วันนั้นที่ตั้ง45นี่คือแบบหมดปวดไปถึงกระดูกเลยค่ะจา้าแลแ้วจ้าหนูก็แบบเฮ้ยไม่ได้เราแบบมันเคยครั้งหนึ่งไงคะที่หนูผ่านเวทนาได้แล้วมันก็ไปถึงจุดที่แบบอยู่ๆปุ๊บความปวดมันหายไปเลยหนูก็แบบนึงในใจเฮ้ยอาจจะทําได้อีกรอบนั่งแบบนั่งไปก่อนนั่งไปก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ค่ะถึงเวลา45นาทีปั๊บลืมตาทันที <laughs> <c oughs> จบก็ก็ยังสู้ต่อไปค่ะแล้วก็ค่อยค่อ พยายค่อยๆเพิ่มไปปรับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะต่อไปวันหนึ่งก็อาจจะเอาเอาวันใดวันหนึ่งของอาทิตย์นึงเป็นวันปฏิบัติทั้งวันดูนะจะได้ฝึกเป็นแม่ชีก่อนที่จะไปบวช น, นะจริงค่ะหนูคิดว่าหนูต้องเมคไทม์แบบนั้นตอนนี้คือตอนนี้หนูเพิ่งเริ่มอ่าที่หนูเคยอธิบายไว้เมื่อนานแล้วเรื่องเบสเน็ตตัวที่สองอะคะ่ะคือตอนนี้หนูทำกราฟิกดีไซน์ใช่ไหมคะซึ่งชั่วโมงงานมันคือ ถ้าหนูจะอยากมีเงินหนูก็ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากจะสร้างอาชีพตัวที่สองซึ่งเป็นลักษณะที่อถ้าหนูไม่ทํำยังไงมันก็ยังอาจจะมีเงินหมุนเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็เลยเหมือนเป็นท ran นสิชันจากตัวที่หนึ่งไปตัวที่สองตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแทนที่จะมีเวลาก็ก็อาจจะหาเวลายากหน่อยแต่ก็อย่างที่เรียนพระอาจารย์ไปว่ายัางอย่างน้อยก็ยังคงเมคเวลา ครึ่งชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนกลางคืนไม่ได้ตั้งเวลาค่ะสนมากกลางคืนนี้ค่อนข้างหลอดแหละจะมักจะหลับสะก่อนเลยเงี้ยค่ะ <S <S <S <S แต่ว่าก็อย่างน้อยๆก็อย่างแย่ๆเลยก็แบบห้านาทีอันนี้คือขี้โกงหรือว่าจะไม่นับนะค ะ, ะคค <S <S 2> <S 2> ถ้าคืนที่ไม่แค่ห้านาทีอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคืนที่ตอนกลางคืนไม่จับเวลาค่ะจับอตอนกลางคืนจับเป็นกด กดให้มันดูว่าตัวเองนั่งสรุปแล้วได้นานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นตอนเช้าอาจจะตั้งไว้ว่าสามสิบนาทีให้มันปลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำนี้ไปก่อนให้มันค่อยค่อ ย, อย พ, พัฒนาไปทีละขั้นทีละตอนค่ะเราเวลานั่งนั่งสมาธิค่ะพรอาจารย์หนูสังเกตว่าตอนเช้ า, เาใจมันชอบเอาปัญหามาพิจารณา อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้มันสงบคือมันก็มีความสงบนะคะแล้วก็ปัญหาที่วุ่นวายใจมันก็ดีขึ้นบางเรื่องก็หายไปเลยแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากที่จะไม่พิจารณาเรื่องปัญหาพวกเนี้ยค่ะอยากจะพยายามพุทโทให้ได้หรือตามลมหายใจให้ได้แต่แบบมันยากมากเลยค่ะคือทันทีที่นั่งปั๊บแล้วพุดโทไปได้ประมาณหนูว่าไม่น่าถึงห้านาทีอแล้วแล้วใจมันจะเอาระใจมันจะมีความรู้สึกว่าโอ ไม่ได้ให้มันสวดมนต์แทนไปเลยถ้ามันอยากจะไปคิดเรื่องงานเอาเดินมาสวดส่วนมนต์ไปเอาพูดโธมันสั้นไปมันไม่เพลินแต่ถ้าเราสวดมนต์ไปมันเพลินมันยาวอืมโอเคค่ะก็ลองเจะลองแบบนั้นดูค่ะแทนที่เอาบทที่เราจําได้ไม่ต้องเปิดท้องเสินนะค่ะเป็นส่วนภปยในใจถ้ามันจบก็สวดหลายหลายรอบไปก็ได้จนกระ่งใจเรรู้สึก เบาแล้วก็เย็งอาจจะมาดูลมต่อก็ได้ค่ะไม่นำไปคิดเรื่องงานเรื่องปัญหาอะไรต่างนอกจากว่ามันปัญหามันเข้ามาหาเราเองเราต้องเราต้องหยุดปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตายรักไปค่ะอันนี้ส่วนมากหนูจะทําอยู่แล้วระหว่างวันค่ะอย่างอย่างแบบที่ผ่านมามีลูกค้าที่ทําให้รู้สึกทรมานใจหนูก็ เ, เมื่อต้นรายการที่พาจารย์พูดเรื่องเอาความเมตตา ม, มาช่วยอะค่ะหนูก mm hmm. ็ลองคิด อ, อ, อาทิตย์ที่ผ่านมาลองคิดดูว่าแบบแล้วถ้าคนคนนี้เขาเป็นพี่น้องเราอะแล้วเขามาหาเราเราก็จะเราก็จะไม่ลำคาญใช่ไหมอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. หนูก็้องคิดแบบนั้นแล้วมันก็ช่วยจริงๆค่ะคือ mm hmm. ทำให้ใจสบายอันนี้ก็ทำอยู่แล้วแต่ว่า ที่ที่รู้สึกว่าไม่ควรกระทําก็คือตอนที่เราตัดสินใจนั่งสมาธิหนุนค่ะสึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาแก้ปัญหาแต่ทําชอบชอบคิดค่ะแต่เดี๋ยวหนูจะลองสวดมนต์ดูค่ ะ, อะลองสวดมนต์แทนไปโอเคดีครั้ น, นี้ค่ะพระอาจารย์สาธุกับขอบพระคุณมากค่ะตอนที่เราเริ่มฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆเราก็สวดมนต์ไปก่อนอพ อ, อสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วมันใจมันเย็นลงดูลมต่อได้ก็นั่งดูลมต่อไป อาถ้เวลาสวดนี่อะเวลาสวดมนต์ก็นั่งอยู่ในท่าสมาธิสวยไปในใจเหมือนกันนั่งสมาธิไปเลยค่ะอระถ้าใช้ใช้บทสวดมนต์แทนใช้พุทโธใช้ลมหายใจอือพระจันทร์สวดบทอะไรเหรอคะอิติปิโสอะไรอย่างเงี้ยไม่สติปัฏฐานสี่เป็นภาษาอังกฤษเหรอคะที่พระจันทร์ภาษาอังกฤษอ่ะเอาไปเราไปดาวน์โหลดไปดูได้ค่ะแล้วมันมันจะทําเวลาเข้าใจ วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ไปในตัวด้วยอืมโอเคค่ะจะไปลองแหงดูค่ะโอเคแ่่ทุกข์ค่ขอบพระคุณมากค่ะพ า, า้อาารย์มันมีอยู่สองบท น, นะสติปัฏฐานแบบแบบใหญ่แบบมหากับแบบธรรมดามหามคงแบบมั น, ม, น, ม, นมันซ้ำเยอะบ่อยอแต่ถ้าแบบสั้นมันก็คงจะตัดไอ้คำซ้ำๆออกไปมันค่ะจำไม่ได้ล่ะค่ะถ้าเป็นแบบยาวถ้าแบบสั้นนี่อาจจะพอจแบบสั้น ก็หลายสิบนาทีนะก่อนจะจบนะคราเราเราเอ า, าเป็นเอาเอาเป็นขั้นๆได้ขั้ น, นขั้นร่างกายก่อนขั้นเวทนาขั้นจิตยังไม่ต้องเอาทีเดียวทั้งหมดต้องประสูตรเลยก็ได้ถ้ามันยาวไปอืมค่ะหนูท่องบางทีถ้าสวดม น, นุษย์ตอนเด็กๆเคยตอนอยู่โรงเรียนเคยโดนคุณครูบังคับให้สวดชีนับัญชรแล้วมันยังจําได้อยู่อะไรยเงี้ยคะ่ะก็ลองใช่บันั้นก็ได้ก็ลองก็เคยลองดูคะ่ะแต่ก็ เดี๋ยวลองดูสติปัฏฐานเพราะว่าหนูรู้สึกว่าชินมนมบัญชรหนูไม่เข้าใจเลยว่าสวดพี่สวดไปคืออะไรแต่ถ้าลักษณะสติปัฏฐานได้ดับเป็นภาษาอังกฤษหรือ เ, เป็นภาษาไทยแล้วได้อาา่านอะไรอาจจะ ถ, ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแสดยว่า Four Foundation of mindfulness Four Foundation s of mindfulness นะคะ mm hmm. โอเคค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โ okay. อเคสาธุจ้าคุณซันนี่กลับมาเมื่อกี้มีเรื่องจบหรือยังหรืยัจะพูดต่อ ขอพาค่ะพระอาจารย์เน็ตน็ตไม่ดีเอ่อเ อ, เอโน้ตจะขอทวนนิดนึงพอดีเมื่อกี้มันหลุดไปคือถ้าสมตาาสมติว่าถ้าสมมติจิตเหมือนใครจะรวมหรือแบบกำลังจะรวมเราพูดโทรหายไปก็คือว่าให้เรานิ่งอยู่ดูเฉยเฉยใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ถ้ามันถ้ามันนิ่งมันก็ไม่ต้องพูดโทรก็ได้อืมไป อย่ารวมแล้วไม่รวมนี้เราไม่รู้นะแต่ถ้าเรามันยังไม่รวมเรายังพุโทโธถ้าเราก็พุโทโธต่อไปอย่าไปดูอย่าไปจ้องว่าอยให้มันรวมไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะรวมแล้วไม่รวมให้เราพุโทโธไปจนกว่าเวลามันรวมจริงๆพุโทโธมันจะหายไปแล้วก็ทุกอยาก่างก็จะเน่งสงบเยน็นสบายมันถึงจุดนั้นหรือยังอ่าเคยเคยคือเคยเหมือนเค ย, เค ย, เคย เป็นครั้งหนึ่งค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหลังจากนั้นก็ยั ง, ย ง, งอย่างที่บอกค่ะว่ามันมันเกือบจะเหมือนคลายคลาคลายคลจะเป็นจุดนั้นแต่ก็ไม่ไม่เข้าไปถ้ายังไม่ถึงก็พุทโธต่อไปถ้าใช้พุทโธพุทโธต่อไป<ๆ>ถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าเพิ่งทิ้งลม อ, อย่าพิ่งทิ้งพุทโธให้มันรวมแล้วมันจะทิ้งของมันเองโดยอัตโนมัติครัพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีคําถามค่ะขอขอบคุณพระอาจารย์โอเค มาที่คุณล้าต่อคุณล้ามีคำถามไหมกราบนมัส ก, กันพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติเจค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับถ้าเราอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์หรือนึกถึงท่านแล้วเราพิจารณาท่านเป็นอสุภะหรือโครงกระดูกเป็นการสมควรหรือไม่และจะบาปไหมครับก็อยู่ที่ว่าเรามีเหตุว่ า, า, าไงจะต้องพิจารณาท่านหรือเปล่า อ้าถ้ามีความจำเป็นจะต้องพิจารณาทุกคนก็พิจารณาใครก็ได้พ่อมเหมือนกันหมดเรียกว่าพระเจ้าบอกให้พิจารณากายในแล้วก็กายนอกกายในก็กายของเรากายนอกก็กายของคนอื่นพิจารณาได้ถ้ามีถ้ามีเหตุให้พิจารณาแต่ถ้าอยากจะพิจารณาเพราะเพราะอยากจะอยากจะเหมือนกับวั น, าานลาลาบารุงตัวท่านว่าจะดูตับตายแท่ของท่านเป็นอย่างไง อย่นี้มันก็ไม่ควรแต่ถ้าต้องการพิจารณาว่าร่างกายของท่านกับของเรากับของคนอื่นเหมือนกันหรือไม่ก็พิจารณาได้มันเหมือนกันหมดคำถามต่อไปเวลาเข้าสมาธิจะมีนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยสงฆ์เราควรทําอย่างไรกับนิมิตนี้ครับกลับขอพระคุณครับไม่ควรไปสนใจไม่ต้องเรากลับมาที่พุทโธแล้วที่ลมหายใจดีกว่า คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณปิยะไปทําบุญมาหลวงพ่อให้พิจารณากุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมาอัพยากตาธรรมมาเมตตาขยายความให้ด้วยครับพระอาจารย์นี่ไปขยายคามมา Google, ข้อไว้ในกาศกูก็ไปค้นหาดเนาะมัน ก, มนก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้ว ก, กุศลธรรมก็กุศลอากุศลารก็อกุศลออัพยากต า, ก, ก, ก, า ก, ก็คือ กลางไม่เป็นกุศลหรือว่ากสักกุศลทราทำการรายละเอียดไปไปเส a r ดูใน Google ดีกว่าจะได้รายละเอียดมากกว่านี้คำถามสุดท้ายจากคุณนารินกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อรู้ว่าจะมีกรรมไม่ดีเกิดขึ้นควรเตรียมตัวรับมืออย่างไรดีคะตาใจเฉยๆไปอะไรจะเกิดก็เกิดยินดีตามมีตามเกิด